ความเคารพรายแสดงความนบถือแต่ท่านพระเทราชุตเทรักผู้รับผิดชอบในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกรูปการทำงานเพื่อพระศาสนาโดยหลักสำคัญก็คือการเผยแผ่ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพระขุกกาละสุว่าสาคาราอนาคาราจักรอุโภอันโยนยนัิสิตาซึ่งแปลว่าคฤหัสถและบรรพชิตทั้งสองฝ่ายต่างอาศัยกันและกัน ย่อมยังสัตยธรรมอันกระเส่นจะโยคะอย่างยอดเยี่ยมให้สำเร็จได้คำว่าอาศัยกันและกันก็คือเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องมีพระสมมีพระศาสนาในมุมมองของพระหุกาบสศุลก็เพื่อที่ จะสั่งสอนธรรมะเมื่อพระสงฆ์คือบรรพชิตสอนธรรมะให้คฤหัสถ์เรียกว่าให้ธรรมทานบรรพชิตก็อุปถัมภ์พระสงฆ์ด้วยอามิสถานสองอย่างเนี่ยธรรมทานกับอามิสสถาน เป็นสิ่งที่พึ่งพากันถ้าพระสงฆ์ไม่ให้ธรรมทานในสูตรนี้ก็เท่ากับไม้ที่มันพิงกันเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันก็ล้มถ้าคลวัดไม่ให้อารมิสทานไม่อุปถัมภ์พระศาสนาพระศาสนาก็อยู่ไม่ได้ ท่านจึงเรียกว่าอัญญมัญญาปัจจัยหน้าที่ของเราบรรพชิตทั้งหลายก็คือพัฒนาตนให้พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งของสังคมด้านการเผยแผ่ในงานคณะสงฆ์หกด้านเนี่ยตั้งแต่ปกครองจนศึกษาศึกษาสงเคราะห์เผยแผร่นโยกายการสงเคราะห์เนี่ย เมื่อวิเคราะห์ดูแล้วก็เป็นไปเพื่อการเผยแผ่ทั้งสิ้นและเราควรจะภาคภูมิใจที่ได้ทำงานเรื่องการเผยแผ่และก็มีความสุขกับหน้าที่ของการให้ธรรมะและก็ทำอย่างเต็มที่เพราะนี่คืองานหลักของพระศาสนา ตามพระสูตรนี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะพัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะทำงานเผยแผ่ก็เท่ากับเราไม่เป็นที่พึ่งแก่สังคมคำถามคือเราเผยแผ่ด้วยงานอะไรบ้างซึ่ง ในหลักของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์บอกถึงงานเผยแพร่งานพระศาสนาคณะสงฆ์ไว้บกด้านตั้งแต่การปกครองาศาสนศึกษาคือเรียนบาลีปริติธรรมศึกษาสมเพาะมาเพิ่มในพระราชบัญญัติฉบับที่สองสองสาสิบห้าก่อนหน้านั้นไม่มีศึกษาสมเพาะมีแต่ศึกษา แล้วก็มีเผยแผ่สาธานรณูปการสาธารณสมคร์มาเพิ่มในปี 2,535 พระรัชคณะสงฆ์ฉบับที่สองที่ใช้มาอยู่ปัจจุบันถ้าพูดในมุมมองของการประชุมนันนี้ปกครองเพื่ออะไรก็เหมือนเหตุผลในการบัญญัติะวินัน การปกครองก็คือเพื่อให้ปฏิบัติตามพระวินัยพระวินัยบัญญัติเพื่อความเลื่อมใสของผู้ไม่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อให้ผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วเลื่อมใสยิ่งขึ้นเพื่ออนุเคราะห์อะไรก็ตามว่ากันไปเป้าหมายก็เพื่ อ, อเผยแพร่ศาสนาศึกษาให้พระเนนเรียนบาลีนักธรรมธรรมศึกษาไอ้ขอโทษ พระปริยติธทรมเพื่ออะไรคันธุระวิปัสนาธุระมีความรู้มีความสามารถไปก็เพื่อให้ธรรมฐานก็เผยแผ่เพราะศึกษาสงเคราะ์ก็ยิ่งชัดใหญ่เป็นการจัดการศึกษาแก่ขรืหันแต่ไม่ใช่ในฐานะกรมประชาสงเคราะ์ แต่ในฐานะเอาการศึกษานำหน้าเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กเหมือนโรงเรียนในศาสนาอื่นโรงเรียนการกุนเของศาสนาอื่นเนี่ยโรงเรียนเส้นทั้งหลายเขาไม่ได้มาเปิดให้การศึกษาแบบทางโลกเท่านั้นแต่เขามาหาแนวร่วมของศาสนา เรียนจบในโรงเรียนของเขาก็ยังอาจจะนับถือหรือไม่ก็เป็นแนวร่วมของศาสนาเขาเอาการสงเคราะห์เรื่องการศึกษานําหน้าตามด้วยการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเรียกว่าศึกษาสงเคราะห์แม้แต่พวกเราแจกทุนการศึกษาก็ไม่ได้แจกในงานศึกษาสงเคราะห์แบบ ตมประชาสมเคราะห์มันจะต้องแจกธรรมะด้วยแจกทุนแจกธรรมก็เป็นเรื่องของเผยแผ่ส่วนข้อสี่เป็นการเผยแผ่โดยตรงคือการสอนการเทศข้อหท่านจัดวัดวาอารามให้สวยงามให้งดงามเป็นสปายะ เป็นอารามที่น่ารื่นรมเพื่ออะไรไม่ใช่ให้พวกเราอยู่กันสบายนะพระสงฆ์แต่เพื่อเป็นที่ต้อนรับตามพระบัญญัตินาสงฆ์อ่ะอำนาจหน้าที่จ้าวาดเปิดพระอารามหรืออาวาสให้เป็นที่บําเพ็ญกุศลราชาการเขาก็ให้เงินงบพัฒนาวัดเพื่อไม่ให้พระขุเจ้าปิดวัด แต่เปิดวัดเปิดอารามรับคนเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมทำบุญทำกุศลงานสารอุปการในสมัยพุทธเจ้าไม่ได้มากเหมือนอย่างสมัยนี้แต่วัดก็เป็นอารามเป็นที่น่าไปเยี่ยมเหมือนหนาเหมือนดังนางภิกษุณีรูปนันทาไปวัดเข้าว่า วัดสวยงามและก็บวชสานูปการจึงสัมพันธ์กับการเผยแผ่ส่วนสาธารณสงเคราะห์ยิ่งชัดเจนใหญ่เมื่อชาวบ้านเดือดร้อนในเรื่องอาชีพเรื่องประสบภัยต่างๆวัดเป็นที่พักพิง วัดดูแลในอย่างทุกข์ปกติชาวบ้านใส่บาทพระแต่เมื่อเขาประสบทุกข์พิขาภายัย อ, อุทกาภายัยพระต้องตอบแทนชาวบ้านแต่ไม่ใช่ในฐานะกรมประชาสงเคราะห์ในฐานะที่สงเคราะห์ด้วยธรรมะคือเอาการสงเคราะห์เนี่ย เป็นใบเบิกทางแล้วเราก็สอนธรรมะให้ชาวบ้านไปด้วยสอนให้เขารู้จักมีน้ำใจต่อกันสอนให้เขารู้จักทำใจในยามประสบอุทกภัยเป็นต้นคนจะศึกษาธรรมะได้ดีเมื่อมีทุกข์เมื่อพบทุกข์ จึงเห็นธรรมะทำไมเด็กๆนักเรียนตัวเล็กๆมันไม่ค่อยสนใจธรรมะแต่พอเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อายุมากขึ้นเข้าวัดเพราะเราเริ่มต้องการธรรมะช่วยระ ง, งับดับทุกข์เราจะสอนธรรมะได้ดีในยามที่เขา ประสบทุกข์แต่ไม่ใช่หลับหูหลับตาเทศตอนนั้นมันจะต้องสมเพราะก่อนเพราะคนหิวไม่ฟังเทศท่านทั้งหลายก็คงนึกถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าโปรดชาวนาที่วัวหายกว่าจะมาถึงเขตที่พระุทธเจ้าจะเทศเนี่ยเขาโมจะไปหาวัวอยู่มาช้าหิวมา พุทธเจ้าก็ไม่ยอมเทศเพราะรอคนคนนี้ชาวนาคนนี้อยู่ต่อเมื่อชาวนาคนนี้มาถึงพุทธเจ้าก็ยังไม่เทศสั่งให้เจ้าภาพเลี้ยงอาหารเลี้ยงอาหารชาวนาคนนั้นไม่อิ่มหนำสํหราญดื่มน้ำปอดแล้วจึงเทศตกเย็นเมื่อพุทธเจ้ากลับวัดพระภิกษุที่ตามไปด้วย ก็ตั้งคำถามในการสนทนาธรรมปะโทเสพิกโคอวาทางช่วงพบคำพระเจา้าให้อวาตพิษุไงพระก็ตั้งคำถามว่าทำไมวันนี้พระเจ้าทำแปลกให้แจกอาหารแก่ชาวนาพระเจ้าก็ตอบว่าเพราะไปวันนี้จะไปเทศสอนเขาแล้วท้องเขาหิวหูอื้อไม่ฟังเทศหรอก ชิคัดฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเราจึงให้เลี้ยงอาหารก่อนเมื่อเขาหายหิวทางกายเขาก็ฟังธรรมะได้ดวงตาเห็นธรรมซึ่งศาสนาอื่นเขาก็ใช้เอาเรื่องของงานสังสงเคราะห์เนี่ยดึงคนเข้าหาศาสนาเขา จึงสรุปได้ว่าการเผยแพ่ของศาสนามันมีสามอย่างจากงานทั้งหมดที่หกด้านของเราเนี่ยสรุปว่าวิธีเผยแร่ศาสนาเนี่ยโดยหลักของศาสนาสำคัญในโลกนี้เนี่ยมันมีสามวิธีแต่ไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาเราใช้ทุกวิธีนะครับแต่ว่าศาสนาอื่นๆเนี่ย เขาก็ใช้วิธีบางวิธีที่เราไม่ใช้เปรียบเทียบกับการสอนนกแก้วให้พูดภาษาคนนกแก้วมันไม่ได้พูดภาษาคนเราจะสอนให้มันพูดภาษาคนเนี่ยมีวิธีสอนอยู่สามวิธีคนไม่ น, นับถือาศาสนาของเรา ก็มีวิธีดึงคนเข้าหาศาสนาของเราสองหรือสามวิธีวิธีที่หนึ่งบางศาสนาใช้เวลาเราจะให้นกแก้วพูดภาษาคนสอนปากเตียปากแช่มันไม่พูดเราทำไงเราก็จับไอ้แก้วมาหนึ่งตัวสมมติีไอ้แก้วอยู่หกตัวเนี่ย จับมาหนึ่งตัวแล้วเชือดคอเลยมันไม่พูดหรอเชือดคอไอตัวอื่นพอเห็นอย่างนี้เข้ามันก็เลยต้องพูดเพราะมันกลัวตายเชือดไก่ให้ลิงดูในสมัยโบราณที่พุทธศาสนาหมดไปจากอินเดียเนี่ยโดยวิธีโด ย, โด ย, โ, ด ย, โ, ดยโดยถูกวิธีนี้เมื่อมหาวิลลยนาราทาถูกเผา เขาก็เรียกพระมาบอกว่าเปลี่ยนศาสนานะไม่งั้นตายใครที่ไม่เปลี่ยนก็ถูกเชื่อให้เลือกเอาระหว่างศาสนาใหม่กับความตายนารันทาก็ล่มสลายหนีไปเป็นส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ที่เบรภูตาน นี่คือวิธีที่หนึ่งซึ่งพระพุทธศาสนาไม่ใช้พระพุทธศาสนาไม่ได้ใช้วิธีนี้เพราะว่าในธรรมนูญของพระพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าโอวาทปาติโมบัญญัติไว้ว่าอนุปวาโทอนุปคาโตอย่าไปว่าร้ายกันอย่าไปเข่นฆ่ากันอย่าไปเบียดเบียนกัน เพราะฉะนั้นวิธีนี้ไม่มีวิธีที่สองครพุทธศาสนาไม่ใช้วิธีที่หนึ่งแต่เราใช้วิธีที่สองอยากจะให้นกแก้วพูดเราก็แจกถั่วมันไอตัวไหนพูดเราก็ให้กินถั่วตัวไหนไม่พูดไม่ต้องกิน นกแก้วอยากกินถั่วมันก็พูดเป็นวิธีแจกถั่วซึ่งเหมือนกับที่พระเจ้าสอนชาวนาที่หิวข้าวในกรณีงานหกด้านเนี่ยการศึกษาสมเคราะห์สาธารณะสมเคราะ์เหมือนการแจกถั่ว นำหน้าเข้าไปวิธีที่สามไม่ได้แจกทัวไม่ได้ใช้ความรุนแรงแต่สอนให้พูดพูดปากเปียกปากแฉะจนเจ้าแก้วมันชินขึ้นมามันก็พูดตม่มเราเรียกว่างานเผยแผ่โดยตรงวันนี้เนี่ยนะครับ เวลาพูดถึงงานเผยแผ่ของคณะสงฆ์อยากจะใช้คำว่าต้องเป็นการเผยแผ่เชิงรุกคำว่าเผยแผ่เชิงรุกก็คืองานทั้งหมดทั้งหกด้านนี่แะครับเป็นไปเพื่อการเผยแผ่เราอย่าไปคิดแต่งานที่สี่ที่อยู่บนจอในงานเผยแผ่ที่ เทศบทธรรมะบังสอนอะไรกันเล่ยไปเนี่ยแต่ท่านจะต้องอาศัยงานสงเคราะห์งานสารูปการงานหลายๆอย่างเนี่ยดึงคนเข้าวัดรวมถึงงานสาธารณสงเคราะห์แล้วเมื่อดึงคนเข้าวัดท่านก็จะไปหยุดหยุดแค่ ง, งานสงเคราะห์แต่เผยแผ่คือสอนธรรมะด้วยดังที่าศาสนาอื่นเขาทํากัน มิฉะนั้นแต่มิฉะนั้นพระคุณเจ้าก็หลับหูหลับตาจําวัดอยู่แต่ในวัดรอรอเมื่อไหร่คนจะเข้าวัดแล้วสมัยนี้ใครเขาจะมาท่านแล้วอยู่ในวัดคนไม่มาเราก็สอนธรรมะออกไปนอกวัดซึ่งสมัยก่อนทํำไม่ได้เรารุกเข้าไปโดยที่เขาอยู่ในบ้านเราก็รุกเข้าไปสอน ไม่ต้องเอาตัวเราเออกไปหรอกครับเราอยู่ในวัดเราเทศนี่แหละแต่ชาวบ้านเขาเปิดวิทยุเปิดโทรทัศน์อ่านหนังสือธรรมะของเราเป็นการเผยแผ่เชิงรุกของเราเมื่อเช้าผมอยู่ที่วัดผมขึ้นธรรมะเทศวันธรรมะสวนะ คนฟังที่อยู่ตรงนั้นเน่ยผมว่าสักร้อยคนเพราะมันเต็มล้นออกไปนั่งอยู่ข้างนอกมากันเรื่อยแต่ผมก็เทศเต็มที่เพราะแต่ละวันพระที่ผมเทศคนฟังหลายพันคนเมื่อช้าก็หลายพันคนในยุค 4.0 ครับ สมัยก่อนทำไม่ได้ครับมันก็เลยเป็นภาระผมว่าจะเท่แต่ละทีต้องใหม่ซ้ำกันแต่ละวันพระอย่าต้องมีเรื่องอะไรมปเพราะคนมันตามฟังทุกวันพระทผมถ่ายทอดสดเรียลไทม์ลูกศิษย์ผมอยู่อเมริกาเขาก็ฟังผมด้วยพระอยู่ที่ไหนก็ฟีดแบ็ออกมาว่าตามฟังถ่ายทอดอย่างเงี้นะครับ แล้วมาเสนอบอกว่าช่วยแปลเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษด้วยมันก็จะเป็นภาระกันไปใหญ่ในยุค4จุด0เราทำได้แล้วท่านอยากจะรู้ว่าพระพรหมบดีเทศอะไรมันมีหมดในเว็บไซต์วัดประยูนท่านทุกวันพระใหญ่15คำ8คำให้ลูกวัดเทศบังเดี๋ยวจะเอาวาดยึดธรรมาสหมด เปิดโอกาสเขาบ้างแต่ก็จะรู้กันว่าถ้าสิบห้าค่ำเนี่ยผมไม่ไปไหนช่วงเช้าผมจะเทศซึ่งเป็นไปได้ในยุคสี่จุดศูนและมันก็เป็นเชิงรุกใช่นเดียวนคำว่าเชิงรุกไม่ได้หมายถึงแค่ในเรื่องวิธีการ แต่มันยังอาศัยงานอื่นๆในการเผยแผ่ธรรมะงานศึกษาก่อนะในฐานะอธิการบดีมหาจุฬาเนี่ยผมไปเปิดสาขาอยู่ห้าหประเทศเมื่อปีที่แล้วผมไปฮังการีไปเปิดปริญญาเอกของมหาจุฬาอยู่ที่นั่นปีนี้ส่งพระไปสอนอภิธรรมส่งพระไปสอนกรรมาฐานที่ฮังการี เขาเรียนเพื่อจะเอาดีกรี ป, ปริญญามหาจุฬาแต่มันจะมีวิชาบังคับคือกรรมฐานวิชาเรื่องอภิธรรมเรื่องอะไรต่างๆเขาต้องเรียนเสร็จแล้วมารับปริญญากระม่อว่าจากเกาหลีใต้ไต้หวันสิงคโปร์สีหลงางงานศึกษาสงเคราะห์นี่แหละเอาปริญญานำหน้าเนี่ยแต่สอนกรรมฐาน สอนธรรมะของเราก็จะเห็นพระฝ่ายมหายานนี่มาปฏิบัติกรรมฐานแบบเราแล้วก็ไปสอนวิปัสสนากรรมฐานในประเทศของเขาเราในยุคนี้เนี่ยนะครับมันทำได้หลายอย่างหลายประการนี่คือตัวอย่างที่ทำอยู่ที่ที่จะบอกท่านทั้งหลายในเบื้องต้นก็คือ การเผยแผ่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการตั้งรับอย่างเดียวแต่เราต้องรุกออกไปนอกวัดและใช้และทำให้มันเหมาะสมกับยุคสมัยคือ 4.0 ที่ว่านั้นคำว่า 4.0 คืออะไรครับทีนี้ 4.0 มาจากนโยบายของรัฐบาลครับ ที่เรียกกันว่าไทยแลนด์ 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 ที่กล่าวเช่นนี้เพื่อเป็นโมเดลเป็นแบบในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอีก15ถึง20ปีข้างหน้าแนวคิดในเรื่องนี้มาจากปี2554ครับ 2,554 ธนาคารโลกได้จัดอันดับประเทศไทยขึ้นเป็นประเทศอยู่ในกลุ่มมีรายได้ปานกลางระดับสูง upper middle income country ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ย 5-6 ปีเนี่ยขึ้นมาเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงโดยธนาคารโลกจัดอันดับ ในโลกนี้มันมีสี่กลุ่มนะครับประเทศในการพัฒนาประเทศต่ำสุดก็คือประเทศที่มีรายได้ต่าสูงขึ้นมาก็คือมีรายได้ปานกลางระดับล่างสูงขึ้นมามีรายได้ปานกลางระดับสูงแล้วสูงสุดคือประเทศมีรายได้สูงประเทศมีรายได้สูงคือสหรัฐเกาหลีใต้ญี่ปุ่น สิงคโปร์ในอาเซียนสิบประเทศเนี่ยประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงแบบไทยเนี่ยมีสองประเทศเท่านั้นคือไทยกับมาเลเซียส่วนสิงคโปร์เขาไปอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งแล้วรัฐบาลไทยก็เลยบอกว่าในอีกสิบห้ายี่สิปีขา้างหน้าเราจะขับเคลื่อนประเทศเนี่ยไปสู่เรียกว่าชั้นสูงสุด เหมือนเกาหลีญี่ปุ่นเรียกว่าเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับสูง high income country แล้วจะทำยังไงดีเพื่อไปสู่ตรงนั้นนี่คือวิธียกประเทศเนี่ยขึ้นไปสู่ความเป็นประเทศพัฒนาแล้วของรัฐบาลแต่ละประเทศเขาก็จะมีแบบของเขาประเทศไทยเรียกแบบของการพัฒนาประเทศ ไปสู่จุดตรงนั้นว่าไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิธีคิดของไทยนะครับมันไม่ใช่ทุกประเทศเขาจะคิดเหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะทำอย่างไรแต่และประเทศพัฒนาให้สูงขึ้น 4.0 เป็นอย่างไรเขาก็บอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยผ่านการพัฒนามา 3ขั้นแล้วขั้นสูงสุดจะไปถึงเนี่ยก็ดูสิครับไทยแลนด์หเราก็ผ่านมาแล้ว 1.2.0 เราก็ผ่านมาแล้ว 3.0 ผ่านมาแล้วตอนนี้เราอยู่ในระดับ 3.0 เป็นส่วนใหญ่จะยกประเทศไทยให้เป็น 4.0 ทํายทำยังไงดี ดูก่อน 1.0 คืออะไรครับประเทศไทย 1.0 ก็คือองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาประเทศเนี่ยเป็นเรื่องกเกษตรกรรมยุคกเกษตรกรรมรสมัยถ้าทั้งหลายยังเด็กๆเนี่ยคงนึกออกว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรแล้วมันจะได้กี่บาทท่านในยุคนั้นเนี่ยเราียกทำนาทำไร่เลยนะครับมันเป็นยุค 1.0 และถ้าพวกเราอยู่ในยุคนั้นเนี่ยแม้แสนยจะสบายครับเพราะอะไรในน้ำมีปลาในนามีข้าวไม่ต้องแข่งขันอะไรในทุ่งเนะครับมีแต่นาเหมือนกันหมดวัดเราก็มีโบสถ์โดดเด่นอยู่ในชนบท วิถีชีวิตชาวบ้านวันแปดข้าวันสิบห้าข้าก็เข้าวัดเทศก็ง่ายครับเพราะไม่มีที่เที่ยวไม่มีที่ไปเขาเรียกว่าอะไรเวลาที่จะกมีงานใหญ่ๆเขาก็ไปที่วัดวัดก็เป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอไปวัดไปวาได้ก็ไปดูกันที่วัด สังคมชนบทตอนนั้นเนี่ยนะครับเราก็เผยแผ่กันแบบหนึ่งใช่ไหมและวัดก็เหมือนกับค่อนข้างจะเสือนอนกินนะครับเพราะเขาไม่มีที่ไปอะ่ะชาวบ้านยังไงๆก็โรงเรียนมันก็สลาวัดงานวัดมันก็เป็นที่คนมาชุมนุมมาพบกันพระก็สบายทีครับเทศอยู่ตรงนั้นแหละเผยแผ่กันอยู่ตรงนั้นแหละ ซึ่งต่อมาครับมันก็ประเทศเรามันก็เริ่มพัฒนามากขึ้นใช่ัหมครับตัดถนนเลยครับตั้งแต่ 2,500 เป็นต้นมาเนี่ยถนนมิตรภาพถนนพหลโยธินอะไรต่างเชื่อมประเทศไทยก็เลยกันหมดชนบทมีถนนผานางไปถึงหมดเป็นการพัฒนาสมัยใหม่เราเรียกว่ายุค 2.0 ในยุค 2.0 นี่เขามีถนนเอาไว้ทำอะไรท่านรถไฟถนนหนทางเนี่ยเพื่อขายสินค้าของจากเมืองก็เข้าไปขายชาวบ้านของจากชาวบ้านก็เข้ามาขายในเมืองแล้วส่งออกนอกในยุคนั้นมันก็จะมีโรงงานอุตสาหกรรมเบาถ้าท่านจะส่งสับประรดไปขาย ญี่ปุ่นเนี่ยเอาไปทั้งหัวเนี่ยนะครับทั้งรูปเนี่ยเดี๋ยวมันกระเน้าเขาก็แปรรูปสับประรดเป็นสับประรดกระป๋องแล้วไม่ได้ขายเฉพาะอาหารผลิตภัณฑ์กากรเกษตรครับสร้างโรงงานทอผ้ารโรงงานทอผ้านี่เยอะเลยครับเพราะว่าใช้แรงงานคนไทยราคาถูกโรงงานเกิดเป็นดอกเห็ดเลยแถวดอนเมืองสมัยโน้น เกิดยุคสาวชันทนาขึ้นมาเอ็คนที่อยู่ในชนบทที่เช้านาเคยทํานามันอบพยพไปอยู่ในโรงงานนะครับพี่น้องของพวกเราเนี่ยแหละแล้วก็มาอยู่กันเต็มหมดตามโรงงานทอผ้าในต่างๆนะครับโดนเมืองสมัยรู้นเนอะกลางคืนนี่สว่างสวยมากนี่พูดในภาษาภาษาคนแก่ด้วยกันเล่าความหลังคงนึกออกเลยโอ๊ยไฟเนี่ยนะ ไอ้โรงงานนี่นะุ๊บุ๊บพุ๊บจนสายการบินน่าจะเป็นของอียิปต์นลงผิดท่านเห็นรลคาโรงงานทอผ้าเป็นสนามบินลงไปบนลังคาโรงงานที่ดอนเมืองอ่ะโอ้ยประเทศไทยนี่มันจัดโอ้ยสว่างสวยอะไรขนาดนั้นอันนี้มันภูตะผูพังครับเรื่องจริงครับยุคสองศอ่ะ ในยุคนั้นเศรษฐกิจเราก็ไปพึ่งอะไรครับมันไม่ได้อยู่ที่ทำนาทำไร่อย่างเดียวมันอยู่ที่โรงงานอุตสาหกรรมเบามันอยู่ที่แปรรูปเกษตรแล้วคนที่อยู่รอบๆวัดเราเนี่ยนะครับหนุ่มสาวเข้าไปอยู่ในโรงงานมีลูกมีเต้าส่งไปอยู่กนะับคุณปู่คุณย่าเอาละครับครอบครัวแตกแยกแล้วรอบๆวัดมีแต่คนแก่มากขึ้น แล้วจะเทศให้ใครฟังมันจะต้องออกไปเทศข้างนอกวัดแหละครับตอนนั้นไปตามรุงงานไปตามอะไรต่างๆการเผยแพ่ อ, พ อ, อยู่ในวัดมันไม่ได้ผลมันต้องชิงรุกแต่วัดก็ยังมีความสำคัญเพียงแต่คนเข้าวัดเนี่ยกลายเป็นวัยชรามากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นยุคว่าเรื่องเข้าวัดเข้าวาเป็นเรื่องของคนแก่คนหนุ่มคนสาวเขาต้องไปทางาน วันเสาร์วันอาทิตย์เขาต้งจะหยุดซึ่งเราก็ไม่ได้เทศวันเสาร์วันาวอาทิตย์มันก็เลยเกิดรายการวิยวประเทศไทยอ่ะวันอาทิตย์มีปาตากถานะสมัยนั้นผมได้ฟังหลวงพ่อพุทธทาสปาตากถาทําวันอาทิตย์อ่ะเพราะมันเกิดเปลี่ยนแปลงแล้วทางฝ่ายเราก็ต้องการอย่างนั้นอ้าวพอมาถึงจุด 1, นหนึ่งทันยุบอะไรครับคร่าวๆนะยุค สิ้นสงครามเรียกว่าสงครามคอมมิวนิสต์กันแล้วกันผมว่าในช่วงสงครามคอมมิวนิสต์จบเนี่ย 2,520 โดยคำสั่งคณะรัฐมนตรี26ประมาณจีว่ 2,120 เสร็จ ในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเราเกิดความขัดแย้งก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเรื่องสงเอเรื่องอุดมการทางการเมืองพอมาถึงจุดหนึ่งครับคอมมิวนิสต์หมดประเทศไทยกลายเป็นประเทศหัวแก้วหัวแหวนครับของโลกเสรีนิยมเขาอยากจะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ย ไม่ได้เป็นคอมมินิสต์ตามทฤษฎีโดมิโนโ่ก็มาเอาอกเอาใจทุนมหาศาลลังไหลเข้ามามาเปิดโรงงานใหญ่โดยเฉพาะในสายญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นเข้ามาไปหมดมันไม่ใช่โรงงานอุตสาหากรรมเบาเลยทีนี้ครับผลิตรถยนต์ผลิตอะไรต่อมีอะไรต่างๆเพื่อสงนอก ได้รับได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีประเทศไทยมันก็มาเข้าสู่ยุคปัจจุบัน 3.0 คืออุตสาหกรรมหนะักแล้วเราก็พัฒนากันไปเรื่อยจนกระทั่งมีห้างสรรพสินค้าเสาร์อาทิตย์คนก็ไปห้างสรรพสินค้าแทนเข้าวัดอย่างทุกวันนี้นะครับเราอยู่ในยุคนี้แหละโดยที่ ยุค 3.0 เป็นยุคที่ทุนจากต่างประเทศเนี่ยนะครับเข้ามาในประเทศไทยอย่างมากมายมหาศาลจนทำให้คนให้เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยโตสูงสุดในโลกเขาเขานับวัดการเจริญเติบโตเศรษฐกิจในประเทศทั่วโลกเนี่ยโดยเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า GNP ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross uh, National Product) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศถ้าลงทุนมากันเยอะเนี่ยเศ ร, รษฐกิจเงินมันไหลเข้ามานี่นะครับตัว GNP เนี่ยความเติบโตของเศ ร, รษฐกิจเนี่ยมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ส 4%, 5% เปอร์ี่เปอร์เซห้าปซประเทศไทยปีที่แล้วเนี่ยนะครับโตประมาณ 3.5% จุดห้าปีนี้เขาจะให้ถึงสี่ อันนี้วัดความเริเติบโ ต, ตบางประเทศก็ห้าเปอร์ซแต่ในช่วงนั้นนะครับในช่วง 3. สามจุดศูนที่เราเริ่มเนย่ประเทศไทยโตสูงสุดในโลกครับสิบเปอร์ซนท่านนึกออกไหมเราก็อยู่กันในยุคนั้นนะครับส0บเอร์ซนเนี่ยในโลกนี่มีสองประเทศเท่านั้นแหละเขาเรียกว่าประเทศไทยเนี่ย ธนาคารโลกนะเขาให้ประเทศเราเป็นมิราโค่ของเอเชียครับสิ่งมหัศจรรย์ของเอเชียเพราะเศรษฐกิจโต 19% 1เกตสซต่อเนื่องกันโอ้โหบูมจริงจริงตึกสูงโกดขึ้นพลึบพๆึพึในโลกนี้ตอนนั้นมีสองประเทศเท่านั้นแหละครับไทยอันดับหนึ่งครับอันดับสองคือจีนนะแล้วโตคู่กันมานะครับ โตคู่กันมาในยุค 3.0 เนี่ยแล้วในยุคนั้นเกิดอะไรครับกู้มาโหราอะไรคนไทยอะ่ะเอาเงินต่างประเทศมาใช้อยากจะไปกู้ใครใครกู้กู้ไปกู้มาจากสิงคโปร์มาทำแรงต่างแล้วปรากฏว่ามีเงินสะพัดมากท่านผมไปสวิตเซอร์แลนด์ในช่วงนั้นครับไป พวกร้านนาฬิกาแพงๆเนี่ยไปแวะเยี่ยมไปดูเนี่ยเช่นที่ขายแพงๆทั้งหลายเนี่ยร้านเหล่านั้นเนี่ยจะมีพนักงานต้อนรับที่พูดภาษาไทยได้ท่านเพราะเศรษฐีใหม่จาวเมืองไทยเนี่ยขนเงินไปซื้อนาฬิกาไปซื้อกระเป๋าตอนหลังเขาไล่ออกไปหมดแล้วครับไปซื้อดูอุ้ยท่านเอาเป็นว่า เราก็ไม่เสีงเงยบเก็บตัวนะครับเศรษฐีใหม่เงินกู้ทั้งสิ้นครับแล้วมันก็เป็นเหตุให้เกิดโรคต้มยำกุ้งปี40เศ ร, รษฐกิจตกค่ะที่ในหลวงราชการที่9ต้องออกมาเตือนเรื่องเศ ร, รษฐกิจพอเพียงเนี่ยปี40เป็นต้นมาเพราะเราไม่ได้ระมัดระวังตัวเราเองรวมความว่าในยุค 3.0 เนี่ยนะครับ ถ้าเราไม่ประมาทเราพัฒนาดีๆนะครับป่านนี้เรานำหน้าจีนนะครับสมัยนู้นคนมาพูดให้ผมฟังแล้วก็ น, นิบนผมไปดูเสี่ยงไฮ้เขาบอกผมว่าเสี่ยงไฮ้กำลังตามตามหลังกรุงเทพอีกไม่กี่ปีจะแซงกรุงเทพผมไม่เชื่อ เพราะกรุงเทพเนี่ยมันพัฒนานำหน้ามาตลอดแล้วท่านไปดูตอนนี้สิครับหลังจากโรกต้มยำกุ้งนะครับเรียกเราเรียกว่า IMF นะครับประเทศไทยหัวทิ่มทำงานฟรีสิปีคนไทยเนี่ยเพื่อใชน้นีครับผมพูดแค่นี้ก็ได้ทำงานฟรีสิปีเพื่อใชน้นีจีนเขาไม่เจอปัญหานี้เขาพัฒนาเดี๋ยวนี้เสี่ยงห้ยนาหน้าเราไปไหนต่ไหนแล้วรวมถึงจีนครับ เรากำลังเอาทุนจากจีนมาสร้างรถไฟความเร็วสูงในยุค 4.0 เนี่ยจีนเขาไปไหนแล้วเรากำลังเกาะกระแสของจีนทนี่ในในช่วงปี 3.0 เนี่ยนะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ออกมาตื่นสติคนไทยเพื่อไม่ให้กลับไปสู่วงจรหัวทิ่มเพราะความประมาทอีก สิ่งที่พอเราฟื้นได้นะครับจากไอ้ต้ยมยำปุ้งเนี่ยปี50มาถึง60เนี่ย น, นเนี่ยเราก็เริ่มเริ่มใครเรียกว่าสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจเราใช้หนี้ IMF ในยุค IMF เนี่นะครับไปไหนท่านคงนึกออกมันมีโบท IMF คือมีแต่เสารครับ มีเสาหลังคาไม่เสร็จถามว่าทำไมเจ้าภาพพิ้งครับเพราะไปโดนโรคต้มยำกุ้งตอนแรกก็มารับปวาวณาว่าจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารให้ตอนหลังค้างตึงครับเรามีบทเรียนกันมาแล้วทีนี้ประเทศไทยพอตั้งหลักได้เราก็ไม่และมีปัญญาเศรษฐกิจในหลวงรัชกาลที่๙ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเราประคับประคองมา จนกระทั่งปี54ครับเราพ้นขีดประเทศที่มีรายได้ปางกลางระดับล่างเหมือน เ, อเหมือนประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายขึ้นมาสู่ระดับสูงขึ้นเป็นประเทศมีรายได้ปางกลางระดับสูงพอมีรายได้ประการาปางกลางระดับสูงขึ้นมาเรียกว่ารวยขึ้นมาแล้วครับประเทศไทยไม่เคยรวยอย่างนี้นะครับ รวยขึ้นมาตามหลังจีนผมพูดตอนนี้เลยกระดับครับตอนที่เราเป็นประเทศยากจนเนี่ยเรารักกันนะครับเรารักเราสามัคคีกันไม่อิจฉาริษยากันเพราะมันจนแต่พอรวยขึ้นมาครับเงินมหาศาลมันเข้ามาเงินเนี่แหละทำให้คนทะเลาะกัน พอรวยแล้วก็แย่งผลประโยชน์กันทะเลาะกันประเทศจีนเจอก่อนเราเพราะเขารวยก่อนพอประเทศจีนรวยทะเลาะกันวุ่นวายหมดเขาทายังไงครับจีนถึงได้อยู่มาจนทุกวันนี้เพราะจีนเป็นประเทศใหญ่คำว่าทะเลาะการแย่งผลประโยชน์กันก็คือคอร์รัปชันครับจีนเนี่ยมีคอร์รัปชันเยอะมากไต้โตเยอะมาก เขาจึงออกกฎหมายครับออกกฎหมายปราบคอร์รัปชันในประเทศจีนกฎหมายแรงมากครับในรอบสิปีที่ผ่านมาเพื่อให้จีนมาถึงปัจจุบันเนี่ยผมไปประเทศจีนหลายครั้งด้วยความสัมพันธ์ทางศาสนานะครับบางครั้งได้ข่าวปิดสนามบินเลย ไม่สามารถเครื่องบินไม่สามารถบินขึ้นได้ครับปิดถามว่าทำไมาปิดเราคนนอกไม่รู้หรอครับอยู่ๆเขาห้ามบินแต่วงในเขากระซิบบอกว่าเพราะรัฐมนตรีถูกข้อหาทุจริตคอร์รัปชันจะบินหนีออกนอกประเทศ เขาไม่ต้องการให้บินหนีไปไปิดสนามบินจับจนได้เอาไปลงโทษประเทศคอมมิวนิสต์ทำได้ครับสั่งกันทั้งหมดเลยถือว่าเป็นเรื่องแรงครับรัฐมนตรีกระทรวงการรถไฟครับเมื่อสองสามปีนี่โดนจับผมไม่รู้ว่าได้รับโทษอะไรงไงขา ตามปราบ ก, กันอย่างนี้เพื่อที่จะให้ประเทศจีนเดินหน้าต่อไปเรื่องคอร์รัปชันครับและพอมันมีสตังเพิ่มมีอะไรเพิ่มเลยนะครับเขาก็หันมาเรื่องที่ว่านี้ในประเทศเราเพราะว่าสังคมฟู่ฟ้าขึ้นและมันก็มากระทบพวกเรา มันเป็นเขาเรียกว่าเทรนด์คือแนวโน้มของประเทศที่กำลังพัฒนาที่พัฒนามาถึงจุดนี้ในอาเซียนมีสองประเทศครับไทยกับมาเลเซียและถ้าคณะสง์เนี่ยตามไม่ทันไม่รู้เท่าทันเราก็จะถูกกระทบมากในการร่างรัฐธรรมนูญในการร่างรัฐธรรมนูญ ที่ผ่านมาครับปีทีออ่ในฉบับที่ตกไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับมันมีคําว่าธรรมมาพิบานอยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยสิบสองครั้งในฉบับนั้นตกไปก็ามาร่างฉบับที่ปีสองพันหกสิบเขาเรียกฉบับปรากโกงโดยเอาระบบธร ร, รมมาพิบานเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องการบริหารประเทศด้วยธรรมมาพิบาน และเขาก็หวังว่าวัดวาอารามก็จะต้องบริหารด้วยระบบธรรมิบาลที่ผมพูดนี้ไม่ใช่นอกเรื่องนะครับผมกำลังพูดว่านี่คือยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักไว้ท่านจะต้องการจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องมันก็ต้องเจอท่านสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือเราเราควรจะนำเขาเด้๋ยสำย้ำไป คำว่าธรรมมาพิบาลเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยในยุค IMF ครับตอนที่เศรษฐกิจเราตกเนี่ยธนาคารโลก IMF ให้เงินกู้เพื่อปลดหนี้เขามีข้อแม้ว่าท่านจะต้องบริหารด้วยธรรมมาพิบาลภาษาอังกฤษเรียกว่ากู d g ก v e r เนน c ์ถ้าท่านบริหารด้วยกู d g ก v e r เนน c ์ เราถึงจะให้เงินมันก็เลยเกิดระบบธรรมาภิบาลมาจนถึงปัจจุบันและมันก็ทำให้ประเทศไทยเราฟื้นใช่ไหมครับ mm. เมื่อประเทศเราฟื้นเขาก็ยังใช้ต่อมาในประเทศเราและเข้มข้นยิ่งขึ้นถ้าเราไม่รู้เหนือรู้ใต้ในยุค 4.0 เราก็ถูกกระทบโดยระบบที่ว่า น, นั้นถามว่าธรรมาภิบาลเนี่ย คือบริหารด้วยอะไรหกขั้ ค, ครับหข้อหนึ่งการมีส่วนร่วมตัดสินใจอะไรก็ตามอย่าทำคนเดียวงุกงิบให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขาได้ร่วมตัดสินใจบ้างไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองนะครับทุกเรื่องเขาเรียก participation ครับการมีส่วนร่วม สองโปรง่งใสภาษาฝรั่งเรี t r a า s p a r e n c y คำว่าโปร่งใสก็คือใครก็รู้ว่าทำอะไรกันอยู่ชี้แจงด้วยเอกสารด้วยอะไรต่างได้หมดเขาเรียกโปรง่งใสอันที่ส accountability แปลว่ารับผิดชอบ เวลามีมติทําอะไรไปนะั่นไม่ใช่ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเรื่องต้องมีสมมติเราบริหารวัดในการเผยแผ่ตั้งคณะกรรมการมาไม่รู้กี่สิบชุดในคณะกร ร, กรมการนั้นใครเป็นผู้รับผิดชอบประธานหรือเลขาหรือทั้งหมดแล้วเวลาได้ดีใครได้ดีรับผิดใครรับผิดรับชอบใครรับชอบอย่าทาแบบนาคใน้ําหลาตัวเกี่ยงกัน แล้วไหนที่สุดฝนไม่ตกหน้าให้น้ำตัวเดียวมารับผิดชอบฝนตกดีแล้วเกินในวัดของท่านเนี่ยถ้ามีผู้ช่วยจเจ้าวาดหลายรูปรูปไหนด้านการเืยแพ่เขาเรียกว่า accountability รับผิดชอบข้อสี่ครับเราเจอมากตอนนี้ในธรรมมาพิบาลเขาเรียกว่า rule of law หลักนิติธรรม ปกคลองด้วยกฎหมายครับ Rule of law อันนี้ที่ผมใช้คำนี้เพราะว่ามันเป็นหลัก Good Governance ของสหรประชาชาติของที่เขาให้มาให้ประเทศไทยเราใช้เพราะฉะนั้นอะไรอะไรมันก็อ้างกฎหมายอ้างกฎอ้างระเบียบอ้างกฎหมายถ้าท่านทำไปตามกฎหมายตามกฎตามระเบียบนั้นปลอดภัยครับในยุคธรรมาพิบาต Rule of law อันนี้ข้อสี่ครับข้อห้าครับเขาเรียกประสิทธิภาพหลักประสิทธิภาพข้อหกหลักประสิทธิผลหลักประสิทธิภาพหมายถึงว่าสมมุติในการเผยแพ่นะครับท่านเผยแพ่โดยหลักประสิทธิภาพเนี่ยลงทุนน้อยใช้คนน้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูงแสดงว่ามีประสิทธิภาพครับ ไม่ใช่ว่าขี่ช้างจับตกกะกรแตนตำน้ำพลิกละลายแม่น้ำใช้คนเยอะใช้เงินเยอะแต่ผลงานไม่ได้เลือกให้เวลาผมบรรยายสองชั่วโมงน้ำท่วมทุ่งบักบุกพับบุกหลงเหลงเขาเรียกไม่มีประสิทธิภาพในการบรรยายครับหลักข้อที่หคือประสิทธิผลนั่นคือการประกันคุณภาพครับ เราจะได้ยินเยอะครับเขาถามว่าเวลาที่เราจัดการเรียนการสอนเนี่ยโรงเรียนทั่วประเทศตอนนี้นะครับประกันคุณภาพนะครับไม่ใช่หลอกให้ผู้ปกครองส่งเด็กไปเรียนบอกโอ้ยเดี๋ยวเธอเก่งวิทย์เก่งคณิตสอบเอ็นทรานได้ออาความจริงตกเรียบไม่ประกันคุณภาพพูดราษาอังกฤษไม่ได้ไม่ได้สักคำโฆษณาชนเชื่อไป เราจะต้องประกันคุณภาพไม่โฆษณาหลอกลวงอันนี้มันก็เป็นที่มาของหลายๆเรื่องที่เราโฆษกันเนี่ยเราทำได้ไหมสรุปหกข้อนะครับในยุค 4.0 เนี่ยผมพูดที่ผมพูดมาไม่ใช่นอกเรื่องนะครับและมันกระทบพวกเรา เพียงแต่ว่าเราจะเอาหเรื่องเนี่ยมาใช้ในการเผยแพร่อย่างไรครับหนึ่งการมีส่วนร่วม Participation ให้คนเข้ามามีส่วนร่วมสองโปรง่งใสตรวจสอบได้เก็บเอกสารหลักฐานชี้แจงได้ถ้าเราทำเป็นปกติใครจะมาตรวจสอบไม่มีปัญหาหรอกครับเ้าเรียกทาน p ร r e n c y ข้อสต้องหาคนรับผิดชอบในงานของท่านในงานเผยแพร่ เรียกว่า accountability Account ข้อสทามไปตามกฎข้อบงังคับระเบียบเรียกว่ารู้อ of ร a w คือหลักนิติธรรมข้อหหลักประสิทธิภาพมีพระน้อยมีเงินน้อยแต่ว่าเผยแผ่ได้อย่างดีไม่ต้องเสียตังค์อย่างเมื่อเช้าที่ผมพูดว่าผมผมเทศแล้วมีคนฟังเป็นพันๆหลายพันคนเนี่ยบางทีเป็นหมื่นคนไม่ต้องเสียตังค์เลยครับใช้เทคโนโลยีพวกนี้แหละครับถ่าย ท, ายทอดสด ผมก็เชื่อว่าที่ผมพูดเนี่ยเาก็ถ่ายทอดเยู่แล้วก็หลักประสิทธิผลคือการประกันคุณภาพประเทศไทยตอนนี้มันจูนเข้าโหมดนี้ครับและเราจะต้องเรียนรู้กันในเรื่องของ 4.0 เมื่อเป็นอย่างนี้ถามว่าเราจะเผยแผ่กันอย่างไรครับก่อนจะไปถึงตอนนั้นเนี่ยผมสรุปก่อนครับ อันนี้คือยุค 4.0 ครับที่รัฐบาลเขาสรุปมาแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมขออธิบายนิดนึงเพื่อเห็นว่าในยุค ข, ของเราเนี่ยหนึ่งโมฟอรเเปลี่ยนเป็นเลสฟอร์โมเขาใช้ภาษาผมขออธิบายครับในยุค 4.0 ผมย้อนกลับไปทีนะครับ สมัย 3.0 คือปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแหละเราทำงานหนักครับคนไทยทำงานหนักแต่ได้เงินน้อยครับเขาเรียกว่า more for less มากแต่ได้น้อยทำงานเหลือเกินหนักเหลือเกินครับแต่ได้เงินน้อยคือยังไงครับเอาที่ใกล้ตัวเราก่อนนะครับสมมติมีห้างสปปรรพสินค้าใหญ่นะครับ รอคนมาช้อปปิง้งนะเปิดก้นใหญ่โตมาแล้วคนไทยเนี่ยก็ไปเช่าพื้นที่นะครับขายของกว่าจะได้แต่ละบาทเนี่ยมันหนักนะครับทำงานหนักนะพนักงานขายขายต่อใครแต่เจ้าของอาคารเนี่ยเจ้าของในเขาเรียกว่าที่เช่าให้เช่าเนี่ยนะครับเป็นต่างชาติอย่างเงี้ยเอาเงินไปหมด เสียค่าเอเสียอะไรนะต่างแพงสินค้าก็ขึ้นราคาขายตามห้างกับขายริมถนนเนี่ยมันชิ้นเดียวกันน ะ, ะทำงานหนักเหนื่อยแต่คนที่เป็นเจ้าของกิจการเอาเอาเงินไปต่างประเทศมาเปิดบริษัทสร้างรถยนต์สร้างอะไรต่างๆขายดิบดีในยี่ห้อของต่างประเทศ คนไทยไปเป็นลูกจ้างครับกินเงินเดือนเขากินค่าจ้างขายรถไปหนึ่งคันได้กำไรมหาศาลจ่ายค่าแรงคนไทยไม่กี่บาทต่างประเทศเอาเงินไปหมดเขาเรียกว่าเราทำงานหนักแต่ได้เงินน้อยเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็น less for more เราพยายามในยุคสี่จศู์เนี่ยทำงานน้อยแต่ได้เงินมาก ท่านทั้งหลายจะได้ยินนะครับเขาส่งเสริมให้เด็กหนุ่มสาวเนี่ยเริ่มธุรกิจของตัวเองเขาเรียกสตาร์ทอัพจะทำธุรกิจอะไรก็ได้ที่เป็นความคิดสร้างสรรค์รัฐบาลสนับสนุนให้เป็นเจ้าของธุรกิจเองเพื่อจะได้เงินมากไม่ต้องเหนื่อยเป็นลูกจ้างเขาเด็กหนุ่มสาวเดี๋ยวนี้นะครับในมหาวิทยาลัยเนี่ย ขายตรงนะครับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมาไล่ผมฝังว่าตัวเองได้เงินเดือนสี่ห้ามื่นเนี่ยแต่ลูกศิษย์เนี่ยนะมันเรียนปริญญาตรีเนี่ยมันก็ได้สี่ห้าหมื่นเพราะมันขายตรงเป็นพวกสตาร์ทอัพเนี่ยะอาจารย์ทำงานเหนื่อยแทบตายได้เงินเท่ากับลูกศิษย์ซึ่งยังเรียนหนังสืออยู่ฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยเขาเลยเน้นเรื่อง innovation ครับไม่ใช่คอมโบริตี้ไม่ใช่ขายสินค้าทั่วไปแต่ต้องเป็นสินค้าและบริการที่มีความสร้างสรรค์ innovation แปลว่านวัตกรรมนวัตกรรมก็คือมีสิ่งใหม่ๆเอามานำเสนอและสิ่งใหม่ๆเหล่านี้แหละมันจะทำให้ขายน้อยไอไ้ไทำงานน้อยแต่ได้เงินมากเพราะฉะนั้น คำคำศัพท์สําคัญในยุค 4.0 นะครับคือคําว่านวัตกรรมครับคำว่าภาษาอังกฤษว่า innovation เนี่ยนะครับ innovation ถามว่า innovation คืออะไรครับนวัตกรรมคืออะไรนวัตกรรมเนี่ยไม่ใช่นวัตกรรมนะครับนวัตกรรมนี่มันก่อสร้างนวัตกรรมหมายถึงหมายถึงนะครับ การนำเอาองค์ความรู้เ ด, เดิมที่มีเนี่ยนะครับของเ ด, เดิมที่มีมาปัดฝุ่นแล้วก็มาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในยุค ป, ปัจจุบันมาสนองความต้องการคนในยุค ป, ปัจจุบันได้อย่างเหมาะเจาะกลายเป็นของใหม่ผมยกตัวอย่างในในธรรมบทนะครับในธรรมบทเนี่ยเรื่องนางสามาวดีครับ นางสาวมาวดีนยุคสมัยพุทธเจ้านะครับ 2,500 ปีแต่เธอทำนวตกรรมอันหนึ่งเป็นเหตุให้เธอได้ชื่อว่าสามาวดีไปอยู่ที่บ้านเา้าเรียกว่าเลขาของเศรษฐีนะครับมีหน้าที่เศษีจะให้เลขาคนนี้แจกโลงทานแก่คนยากจนอะไรต่างเศรษฐีก็นอนฟังเสียงไอ้พวกคนขอข้าวมาทะเลาะ ก, กันแย่งกันเนี่ย แล้วก็มีความสุขไม่ต้องลงมาแจกหรอกเป็นอย่างนี้ทุกเชา้าเช้าวันหนึ่งครับเสียงมันเงียบไปเอ๊ะทาไมมันไม่ทะเลาะกันเลยไม่มาแย่งกันเลยนะเศรีถีหรือโพหน้าต่างมาดูโอ้คนยังเยอะอยู่นะมาขอข้าวเยอะเหมือนเดิมแต่มันไม่ทะเลาะกันเพราะมันเข้าแถวครับเข้าคิวเหมือนกับสนามบินบ้านเราเดี๋ยวนี้นั่นหรอสามมาวดีทำไว้ตั้งสองพันห้ารอปีเลยครับเอาเชือกมาทําเป็นรั้ว แต่ก่อนนี่มันเหมือนกับจูอะไรนะทุกคนก็นมุ่งไหมใช่ไหมรับคนแจกนี่ไหมพอทํารู้ให้เดินเนี่ยนะทำอาสาหมะอันไหนสามาเนี่ยรั้ ว, นาาวเนี่ยไหมไอ้สามาวดีเนี่ยวดีเนี่ยเพราะฉะนั้นแกก็ทำสามาวดีนี่ก็คือทํารู้ให้คนเข้าไปรับบริจาคเป็นนวัตกรรมครับแก้ปัญหาการแย่งกันและไม่มีเสียงดังทําให้เข้าตากรรมการเศรษฐีเลยชอบเอามาเป็นลูกาสามเศรษฐี สิ่งต่างๆที่มันมีอยู่แล้วนะครับผมยกตัวอย่างนะครับนวัตกรรมนะถ้าท่านทำนวัตกรรมเนี่ยการเผยแผ่ของท่านจะล้ำหน้ามากแล้วคนจะสนใจเข้าวัดท่านมากในยุคนี้เนี่ยนะครับถามเช่นอะไรครับผมยกตัวอย่างนวัตกรรมจริงๆนะเรารู้จักคำว่าคนที่ชื่อว่าสตีฟจ็อบส์ สตีฟจ็อบส์นี่เป็นเจ้าแห่งนงวัตกรรมสตีฟจ็อบส์คือคนที่ประดิษฐ์ i p h o นอ iPad i ไอโฟนอพดเป็นนวัตกรรมอย่างไรครับคืออย่างนี้ครับสตีฟจ็อบส์ไม่ใช่นักประดิษฐ์นกรรมไม่ใช่คนประดิษฐ์นะครับประดิษฐ์คือเริ่มสิ่งที่ไม่เคยมีให้มันมีขึ้นในโลกอย่างเช่นคนประดิษฐ์คอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์ไม่เคยมี เขาก็ประดิษฐ์ขึ้นมาหลอดไฟไม่เคยมีโทมัสอันวายอดิสันประดิษฐ์ขึ้นมาเขาเรียกนักประดิษฐ์ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า invention ครับอันนั้นประดิษฐกรรมแต่นี่มัน innovation ครับไม่ใช่ประดิษฐกรรมไม่ใช่ประดิษฐกรรมคืออะไรครับคือเอาของเดิมที่เขาประดิษฐ์อยู่แล้วเนี่ยมายำใหญ่มารวมมาทำอะไรกันเข้าเพื่อให้มันตอบสนองความต้องการคนในยุคปัจจุบัน คอมพิวเตอร์มันก็มีอยู่แล้วก็เอาคอมพิวเตอร์มากล้องมันก็มีอยู่แล้วเอากล้องมาเทปก็มีอยู่แล้วเอาเทปมาเครื่องถ่ายเ อ, ยอกสารก็มีแล้วก็เอามาโทรศัพท์เอ่ยอะไรเอ่ยเอามารวมกันเป็น i ไอโฟนนั่น p h o n e มันมีตรงไหนบ้างที่สติปจอบประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ไม่มีแต่เอาของที่มีอยู่แล้วเนี่ยมารวมกันเกิดเป็น iPhone iPad ทุกวันนี้ครับเรา ส่วนส่วนหนึ่งของคนไทยเนี่ยนั่งกรรมฐานลองดูว่ากรรมฐานที่เราสอนกันเนี่ยมันเป็นสายไหนครับสายพุทโทสายพองยุบอะไรก็ตามครับผมผมยกตัวอย่างสายพองยุบครับสายพองยุบถามว่า มีอยู่ในพระไตรปิฎกไหมสติปัฏฐานสี่มันมีอธิบายได้แต่รวมกันกับบริกรรมพองหนอยุบหนอบริกรรมมนิมิตรรวมเข้ากับสติปัฏฐานสี่เอาสมถะกับวิปัสสนารวมกันแล้วคิดคำบริกรรมขึ้นมา เป็นนวัตกรรมในทางการสอนกรรมฐานแต่ต้องอธิบายได้ว่ามาจากกรรมฐาน40ข้อไหนสติปฐานสีข้อใดกรรมฐานถ้าจะสอนอยังไงวิธีไหนแบบหลวงพ่อเทียนแบบอะไรก็ได้แต่ขอให้โยงไปหาเขาเรียกประดิษฐกรรมที่พระเจ้าประดิษฐ์ขึ้นมา ถ้าโยงไปหาว่าพระพุทธเจ้าประดิษฐ์อะไรไว้ก่อนค้นพบอะไรไว้ก่อนแล้วท่านเอามาปรับเนี่ยท่านเป็นนักนวัตกรรมโลกต้อนรับท่านกรรมฐานของท่านนะแต่ถ้าท่านไปบอกว่าเราเป็นคนประดิษฐ์คิดค้นกรรมฐานแบบใหม่ไม่มีอะไรพระตรีไปดลบเตรียมเจ๊งได้เลยทน เวลาท่านอธิบายนะอธิบายการนั่งกรรมฐานการปฏิบัติกรรมฐานมันต้องโยงหาพระไตรปิฎกแต่วิธีของท่านอาจจะซับซ้อนขึ้นผสมตรงนั้นตรงนี้แต่ให้มันโยงได้ว่าอยู่ในกรรมฐานสมถะกรรมฐานตรงไหนวิปัสสนาตรงไหนไม่มีใครว่าแต่ถ้าท่านไปอธิบายโดยคําสอนใหม่คําว่าคําสอนใหม่คือไม่มีในพระไตรปิฎกหรือไปขัดกับพระไตรปิฎก ทั้งๆ ท, ที่ท่านปฏิบัตินั่นแหละมันอยู่ไม่ได้ท่านในพระพุทธศ า, าสนาเถราวาทไม่มีคำว่าประดิษฐ์หรือค้นพบคำสอนใหม่นี่จำไว้เลยครับการเผยแผ่ของเราต้องเป็นหยุดอยู่แค่นวัตกรรม innovation ท่านอย่าไปล้ำเส้นเป็นประดิษฐกรรม Invention ค้นพบธรรมะใหม่วิธีใหม่ซึ่งไม่เคยมีในพระพุทธศาสนาเราไม่เรียกว่าเถรวาด น, นะครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยเน้นการศึกษาและการปฏิบัติตามแนวเถรวาด น, นะครับไม่เคยเขียนไว้ก่อนเลยฉะนั้นนักเคยแผ่โปรดสังวรระวังตรงนี้ ถ้าท่านโยงไม่ได้กับพระไตรปิฎกแล้วมาบอกว่าเราค้นพบใหม่ท่านกลายเป็นมหายานทันทีท่านต้องอ้างบาลีได้ถูกอ้างที่มาได้แล้วสอนได้ตามนั้นครับนี่คือสิ่งที่ในยุค 4.0 ท่านต้องสังหวันระวังตามรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยเรื่องเทรวาดนะครับ ไม่เคยมีในรัฐธรรมนูญนะครับที่ส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักเทระว่าเพิ่งมีในปีศึกในปี2610รัฐธรรมนูญนี้เราเป็นนักเผยแผ่ต้องบอกกันต้องเตือนกันอันนี้ก็คือ innovation นะครับแล้วทีนี้เรามาพูดถึงยุค 4.0 ในการที่จะเผยแผ่เรามีเทคนิคมีวิธีการผมผมอย่างนี้นะครับผม ผมอยู่กับการศึกษาของเด็กและเยาวชนเนี่ยผมก็ชื่นชมนะครับครูพระสอนศีลธรรมหลายรูปไปสอนกรรมฐานแกเด็กมีเทคนิคมีวิธีการอะไรใหม่ๆน่าชื่นชมครับแล้วอธิบายได้ออกมาจากหลักขุษนาตรงไหนแม้กระทั่งเราจะใช้เรื่องนั้นเรื่องนี้มาประกอบเทคโนโลยีมาประกอบในการประชุมวิสาขาบูชาโลกนะครับที่สาธารณชาติเมื่อ วันที่ยี่สิบห้ายี่ิบหกยิบเจ็ดนี่ยมีการประชุมกันเรื่องการสอนการเผยแผ่แก่เยาวชนครับในยุคสีุศูนย์เนี่ยแต่มันทั่วโลกครับน่าสนใจมากครับเพราะว่าทั่วโลกเขามีปัญหาเรื่องเด็กเยาวชนไม่เข้าหาศาสนาแล้วเขาก็เอาประสบการณ์แต่ละประเทศของเขาเนี่ยมาเล่าสู่กันฝัง เขาเรียกการประชุมระดับโลกกันแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับมีแปลภาษาไทยด้วยมีมีหลายคนพูดน่าสนใจนี่ผมพูดถึงนวัตรกรรมที่ว่าเลยนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าเราจำเป็นจะต้องเผยแผ่แก่เยาวชนเพราะในยุค 4.0 นี่เยาวชนมันหนีวัดนะครับมันไม่เข้าวัดมันไปเข้าห้าง แม้แต่มาในวัดมันก็สังคมกคมหน้าท่านพ่อแม่คุยธรรมะกับเราลูกมันดูเกมกดดูโทรศัพท์เขีกเขียนลายแล้วจะเอาตรงไหนเนี่ยเอาธรรมะไปเข้าเด็กครับเยาวชนเป็นปัญหาทั่วโลกครับพระทั่วโลกก็มาพูดกันแต่เมื่อผมนั่งฟังแล้วมันมีอะไรน่าสนใจผมจะเรียนถวายอย่างนี้ครับหนึ่งเขาบอกอย่างนี้ครับ เยาวชนในยุคปัจจุบัน 4.0 เรื่องแล้วกันนะครับต่างจากเยาวชนสมัยที่พวกท่านเป็นเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวเราต้องเผยแผ่กับเด็กและเยาวชนเพราะเด็กและเยาวชนวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าที่จะมารับผิดชอบประเทศชาติรับผิดชอบพระาศาสนาอันนี้ผู้ต่างที่เขามาเสวนากันเราสอนแต่คนแก่คนท่าวันหนึ่งเขาก็จากโลกนี้ไป แล้วใครจะมารับผาระดูแลพระศาสนาอันนี้ยังไม่รวมถึงอะไรนะครับเราส่งพระธรรมทูตไปอยู่ไปอยู่อเมริกาไปอยู่ยุโรปไปอยู่ทั่วโลกเนี่ยไปสร้างวัดไว้ด้วยเงินมหาศาลผมไปไประชุมสมัชชาคณะสงฆ์ไทยในต่างประเทศอยู่เรื่อยๆทุกปีสิ่งที่เราเป็นห่วกันก็คือวัดในต่างประเทศที่รุ่นพ่อรุ่นแม่ สร้างไว้เนี่ยเด็กวัยรุ่นมันไม่เข้าวัดครัแล้วใครจะรักษาวัดเหล่านั้นในต่างแดนวัดสวยๆงามๆแพงๆครับแล้วคนที่อบเพย์ไปอยู่แม้กระน้อยลงน้อยลงเพราะประเทศไทยเราเ ฟ, ฟื่องฟูเศรษฐกิจคนมันไม่ไปหางานทะรุณแล้ครับตกลงไอ้ที่เราไปสร้างไว้เนี่ยใครดูแลครับเยาวชนเด็กและเยาวชน เราจะต้องเผยแผ่ให้เขาแต่เราไม่ค่อยได้เผยแผ่นะครับเพราะว่าอะไรครับมันทําบุญน้อยพูด ต, ตรงๆแต่อนาคตของศาสนาและประเทศชาติฝากไว้กับเขาสิ่งที่เขาพูดคืออย่างนี้ครับในการเสวนาผมสรุปนะครับหนึ่งเราจะต้องเอาใจใส่ต่อเด็กและเยาวชนในการเผยแผ่ในยุค ป, ปัจจุบันเพราะมันเป็น มันจะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าเป้าหมายต้องอยู่ตรงนี้ก่อนและเด็กเยาวชนมีจานวนเท่าไหร่ครับหนึ่งในห้าของพละโลกสมมติว่าคนมี6000ล้านคนเป็นพันล้านนะเขาคือเด็กและเยาวชนอายุเท่าไหร่ครับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนก่อนนะครับเด็กก็คืออายุต่ำกว่า15้าลงมา ตั้งแต่สาขวบ4ีขวบอันนี้คือเด็กอายุ1 5บหถึงยีเป็นเยาวชนเราต้องใส่ใจตรงนี้เพราะเข้ามาบวชก็อายุยี่สิใช่ไหมครับอายุ1 5บหถึงยีเป็นเยาวชนตามกฎหมายหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยแต่ในสิงคโปร์นะครับเยาวชนเขาอายุขยายไป1 5บหถึงสาครับเยาวชนเขาแต่ละประเทศไม่เท่ากันการที่ เราจะสอนเด็กเหล่านี้เยาวชนเหล่านี้ซึ่งเขาเติบโตในยุค 4.0 พวกเรานี่อยู่ใน 3.0 ครับการเผยแผ่ที่ท้าทายเราคือเราจะไปสอนพวก 4.0 เนี่ยเกิดมาเนี่ยนะครับมันเป็นสังคมก้มหน้านะครับเราจะเทศจะสอนแบบสังคม 3.0 อย่างที่เราคุยกันนี่มันมันจะสนใจหรอเขาบอกอย่างนี้ครับลักษณะของเด็กที่เป็น 4.0 เนและครัมันเหมือนกันหมดทั่วโลกคือมันเป็นเด็กเยาวชนยุคดิจิตอลครับดิจิตอลคืออะไรครับคือเทคโนโลยีครับมันเป็นบรรทัดที่สามเนี่ยนะครับเรามาอยู่ในยุคคอมพิวเตอร์ยุคดิจิตอลยุคดิจิตอลมันมีลักษณะ3อย่างครับเราจะเผยแพ่แก่เด็กเยาวชนยุคดิจิตอลเนี่ย เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกระทรวงดิจิทัลนะครับสมัยก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้เขามีกระทรวงดิจิทัลหรือดิจิทัลเนี่ยเรื่องแรกครับลักษณะพิเศษของ 4.0 กันแล้วกันคือเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่เป็นดิจิตัลคือความรวดเร็วครับข่าวสารนี่มันแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเรียลไทม์ครับ เกิดอะไรขึ้นที่ไหนในโลกมุมอื่นของโลกรู้หมดอย่างผมพูดตรงนี้เนี่ยในยุค ด, ดิจิตอลเนี่ยอเมริกาก็รู้ด้วยอย่างอันนี้ก็เป็นทึื่เข้าใจกันเดี่วรับรวดเร็วเป็นเวลาจริงข้อที่สองครับไม่มีเซนเซอร์นะครับไม่มีขอบเขตจำกัดไม่ใช่ว่าห้ามเข้าไปตรงนั้นอยู่ในภูยนอยู่ในภูเขาก็รู้ครับอยู่ในถ้าก็รู้ มันถึงหมดครับข้อสามครับเชื่อมโยงเครือข่ายเราอาจจะเผยแพ่ไปในทางโทรศัพท์ในทาง i อ a d ดไลนแต่มันกระจายออกไปลงหนังสือพิมพ์ครับหนังสือพิมพ์ก็เอาไปโทรทัศน์ก็เอาไปมันเชื่อมโยงกันหมด ทำงานในยุค 4.0 เนี่ยเทคโนโลยีมันทำให้เกิดการเชื่อมโยงทีนี้เด็กเป็นยังไงครับเด็กก็ปรากฏว่าเยาวชนนะครับผมพูดถึงเยาวชนกันแล้วกันเยาวชนยุคใหม่เนี่ยเป็นเยาวชนที่มีข้อมูลข่าวสารเยอะมากครับเพราะเขาติดตามเหตุการณ์ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ผมส่งพระไปสอนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครับสอนเด็กป .4 ป .5 เนี่ยคําว่าหมายถึงทมหาจุลาส่งไปนะครับแล้วครูพระอาจารย์เนี่ยก็ให้เด็กเนี่ยนะครับทํารายงานเรื่องมหาวิทยาลัยส่งว่าพระอาจารย์มาจากไหนลองทํารายงานมาหน่อยสิเด็กป .4 ป .5 เนี่ยนะครับว่ามหาจุลาเป็นยังไงเด็กมันทํามาอย่างดีเลย พระอาจารย์ก็สงสัยว่านี่หนูไปลอกใครมาไม่ได้ลอกหาเองเด็กว่าหาย่ังไงให้เขาเปิดให้ดูครับเปิดคอมพิวเตอร์ไปเลยเด็กเปิดหมดเลยเขารู้หมดเลยมาหาเจาอยู่ที่ไหนไกลเป็นไครครับพระอาจารย์บางทียังตา่างในทานเด็กยอมทึ่งเลยครับเด็กยุคนี้มีความรู้มหาศาล ข้อมูลข่าวสารเกิดอะไรที่ไหนมันรู้หมดสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับเด็กเขาถือว่าเขารู้มากกว่าผู้ใหญ่ครับมีอิโก้ครับแล้วถ้าพระไม่รู้เรื่องนะครับไปสอนเขาเด็กเด็กมันจะดูถูกกันเลยซ้ำไปตกยุคตกสมัยไดยโนเสาร์เต่าล้านปีเหมือนในสมัยเราเป็นเด็กเราเคยว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เรา แต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มันเกี่ยวกับเรื่องหนังสือเรื่องอ่านใช่ไหมครับพ่อแม่เราอ่านหนังสือไม่ออกเราอ่านออกพ่อแม่ก็เลยโงกว่ารุ่นเราเราก็จะรู้สึกอย่างนี้พระอ่านหนังสือไม่ออกก็โงกว่าชาวบ้านทำไมมหาจุลาต้องไปเปิดหลักสูตรปรบส อ, อะไรต่างๆเราบอกว่าผู้ประสางกาธิการนี่บริหารวัดเนี่ยมันสู้พวกเอาบาตาไม่ได้แล้วนะลูกเขาจบปริญญานะ หลวงพี่หลวงพ่อก็ไปบริหารวัดแบบเดิมเลย น, นะกฎหมายก็ไม่รู้ไปเปิดหน่อยปปสเนี่ยเปิดทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะเทศน์สอนเขาได้ตอนผมเปิดปริญญาโทนะครับเมื่อสามสิบปีมาแล้วมีเจ้าคุณนะครับเจ้าคุณหนุ่มรูปหนึ่งครับจากจังหวัดเนี้ยไปเรียนมหาจุฬาเมื่อสามสิบปีแล้วผมเป็นคณะบดีมัณฑิตวิทยาผมสัมภาษณ์ท่าน ทำไมเป็นเจ้าคุณอะไรแต่ยังมาเรียนมหาจุฬาผมเป็นคณะบดีบดีไว้เลยผมก็ถามท่านท่านบอกว่าตอนนั้นผมจะเป็นมหาเนี่ยท่านบอกท่านมหาผมอยู่ในต่างจังหวัดเทศสอนชาวบ้านเพราะตัวท่านจบประโยคเก้าประโยคเก้าเท่ากับปริยัตตรีก็เป็นตอบปริยัติโทมหาจุฬาผมจบประโยคเก เทศสอนคนได้ทั่วไปหมดทั้งศาลาวัดทั้งที่ไหนได้หมดแต่พอเขานี่บนผมไปเทศตามศาลากลางตามโรงเรียนข้าราชการมันไม่ฟังผมครับเขาบอกว่าเขาฉลาดกว่าพระรู้มากกว่าภาษาภัษติดพระก็ไม่รู้ไม่ฟังผมผมจะมาเรียนภาษาไอเรียนมหาจลารเพื่อให้มัน กลับไปแล้วชาวบ้านเขาจะได้ฟังผมเทศไอ้พวกข้าราชการนี่จะฟังผมเทศแล้วผมก็จะพูดภาษาอังกฤษได้บ้างเอาไปครูเวลาเทศพูดแตภาษาบาลีเขาให้ว่าเฉยผมก็เลยรับท่านท่านเรียนห้าปีจบปริญญาโทผมก็ถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหเขาบอกว่าผมนี่เป็นนิ้วนะครับพวกข้าราชการอำเภอตำไหนนี่ พูดอังกฤษให้ด้วยอะไรนี่ทันสมัยแล้วกุนฟังผมใหญ่เลยเนี่ยเจอใครต่อใครในตอนนั้นน่ะท่านก็จะฮิตพูดภาษาอังกฤษใส่เราผมไม่บอกว่าเป็นใครนะครับเพราะว่าท่านเป็นเจานาา้าหน้าที่ละฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยครับคนเนี่ยนะครับจะฟังเราเทศเขาก็ต้องมีความเคารพเราใช่ไหมแต่เด็กๆมันไม่เคารพผู้ใหญ่นะครับ เพราะว่าไม่โดยพ่อแม่หาว่าโง่กว่าทำให้นึกถึงบทกรณนนี้ครับเราคิดว่าบิดาเราเฉาฉมนเราเป็นคนมีปัญญาจะหาไหนบุตรของเราดีจริงยิ่งขึ้นไปจิตใจเขาคงคิดเหมือนบิดาเราคิดว่าเรามีปัญญานะพ่อเราโง่ แต่เดี๋ยวถ้าจำตามทันครับไอ้ลูกเหมันจะคิดว่าเราโง่อตอนเราเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่ตอนเราเป็นลูกวัดก็ชอบวิจารณเจ้าว่าท่านเนาะตอนนี้เป็นยังไงล่ะ <c oughs> ลูกวัดมันก็วิจารณาเราให้ปากบักนี่แหละครับผมกลับมาเรื่องเยาวชนยุคดิจิตอลครับเมื่อเยาวชนยุคดิจิตอลเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาหาข้อมูลศึกษามากขึ้นเนี่ย และเป็นไงเขาคิดว่าเขาฉลาดเขารู้ทุกเรื่องคนระับการศึกษาในยุคนี้มันไม่เหมือนในยุคเรานะครับซึ่งผมรวมถึงการศึกษาของพระพิสุทธิมเณรเราด้วยอยากจะให้ปรับปรุงการศึกษาของพระพิสุทธิมเณรให้มันทันยุคดิจิทัลพระเนี่ยเราจะได้มีความรู้มากคือสมัยก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์จะยืนอยู่หน้าห้องเรียนเขียนช็อกนะครับ ช็อคกับทอคก็คือพูดไปเขียนช็อคจนฝุ่นฟุ้งเด็กเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แล้วครับเยา ว, วชนข้างนอกเนี่ย mm hmm. เขามี mm hmm. เขาเรียกอย่างเนี้ย PowerPoint โปรแกรมคอมพิวเตอร์มี iPad เรียนค้นคว้าข้อมูลด้วยตัวเองเขาไม่มานั่งรอความรู้จากครูบาอาจารย์แล้ว mm hmm. ถ้าเรายังไปสอนเหมือนกับว่าให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ย รับความรู้จากครูบาอาจารย์รู้เท่าที่สอนมันในยุคยุคเราได้นะครับมันฝืนคาําภาษิตที่บอกว่าถ้าท่านให้ปลาแก่คนจนเขาจะมีปลากินเพียงวันเดียวแต่ถ้าท่านสอนวิธีจับปลาให้เขาเขาจะมีปลากินตลอดชีวิตเราให้ความรู้เป็นแท่งๆไปเขาเรียนจบสอบได้ก็จบ แต่เด็กยุคนี้เยาวชนยุคนี้ไม่ใช่นะครับครูบาอาจารย์จะสอนวิธีค้นคว้าหาความรู้เซิร์ชเข้าไปใน Google อาศัยศาสตราจารย์ Google เนี่ยนะครับหาความรู้หมดเขารู้ทุกเรื่องเลยการเรียนการสอนมันก็เปลี่ยนไปทีนี้สิ่งที่เป็นลักษณะนิสัยของเด็กยุค 4.0 เยาวชน 4.0 กว่าหนึ่ง เป็นคนที่คิดว่ามีความรู้มากมันจะช่างพูดครับช่างเถียงครับเพราะฉะนั้นมันจะท็อปเคทีฟเพราะมันรู้เยอะเราจะให้มันนิ่งสงบฟังเราเหมือนเดิมมันไม่ได้แล้วครับเราจะต้องให้เขาตั้งคำถามตั้งปัญหาและเราต้องพร้อมที่จะตอบพร้อมที่จะชี้แจงถามว่าในยุคนี้ในการเผยแผ่อ ย, อย่างนี้ในวิธีอย่างนี้เนี่ย เหมือนทรรมษากัดฉาเนี่ยเปิดโอกาสให้ถามตอบเนี่ยเราพร้อมแค่ไหนผมเรียนอย่างหนึ่งนะครับผมบผมเนี่ยได้รับการติดต่อจากรายการทีวีเยอะมากครับรายการโทรทัศน์เนี่ยที่มีประจาก็มีที่จอรมาก็มีส่วนใหญ่นะครับหรือที่ผมทำทามาเป็นสิบสิบปี เป็นถามตอบเท่านั้นเลยครับสมัยก่อนไม่มีนะครับสมัยเมื่อสามสิปีเนี่ยสมัยลงตาแพรเยื่อไม้ผมไปออกทีวีเนี่ยพูดอย่างเดียวนะครับบรรยายแต่สิบปีที่ผ่านมานี่เขาจะให้ทางบ้านเนี่ยถามคามถามมาแล้วก็ส่งมาให้ผมช่วยตอบผมก็จะต้องตอบวันอาทิตย์ก็ดีแล้วก็มีรายการอื่นๆเนี่ยนะครับทีวีทั้งหลาย ถามคามถามให้ผมตอบจนผมไม่มีเวลาที่จะจัดรายการประเภทอย่างนี้เลยครับมันเป็นแนวโน้มที่แปลกครับเหมือนกับคนฟังเนี่ยมันไม่ใช่ปัญห า, ม, ามันเป็นยุคสมัยท่านเรื่องทั่วๆไปนี่ก็หาความรู้ในทางธรรมะได้เองแต่บางเรื่องที่เฉพาะเจาะจงเนี่ยเขาจะให้เราช่วยตอบช่วยอธิบายนี่คือลักษณะ พิเศษในยุคนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยเขาไม่มีเวลามากครับรายการทีวีอะไรต่างนีย้ยิ่งสั้นลงสั้นลงรายการธรรมะเนี่ยนะบางแห่งเนี่ยเขาบอกว่าให้มันอยู่ในกี่นาทีอะไรต่างแล้วสรุปเป็นคำสามารถส่งกันทางลายได้อะ่ะแล้วมันจะแพร่ไปทั่วหมด เนี่ยทางทีวีมาขอให้ผมช่วยทางผมผมไม่มีเวลาหรอกอาตามาถนัดแต่พูดเป็นชั่วโมงหนึ่งสองนาทีนี่มันต้องรุ่นหนุ่มแล้วบ้างพระเนี่ยเวลามันตกยุคไปแล้วท่านกว่าจะตั้งนโมกว่าอะไรก็หมดเวลาแล้วนี่คือสิ่งที่เขาบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยเขาสนใจธรรมะแบบไหนต่อมาครับสิ่งที่เขาค้นพบนะครับเดล็กในยุคใหม่ไม่ใช่ไม่สนใจศาสนานะครับ เขาอยู่ในวัยแสวงหาตนเองสแสวงหาความหมายของชีวิตถ้าเราไม่เป็นที่พึ่งหล่อล้อมอัธยาศัยกองตราอัธยาศัยเขาเขาก็จะโตแบบกระบื้อป่าวัวป่าไม่มีหลักครับเขากําลังแสวงหาความหมายของชีวิตชีวิตเขาจะอยู่เพื่ออะไรเขาจะทํางานหาเงินเหมือนพ่อรุ่นพ่อรุ่นแม่ไหมเพราะตอนนี้สังคมมันร่ํารวยขึ้น แล้วก็ทุกเหมือนพ่อเหมือนแม่เหรอมีประโยชน์อะไรครับเขาเริ่มสแสวงหาแล้วไปวัดไปวาเ่าอย่านึกว่าเด็กเขาไม่สนใจเขากําลังดูว่าชีวิตที่พึงประสงค์เมื่อเขาโตขึ้นเขาควรจะเป็นอย่างไรและถ้าเราไม่เป็นพี่เลี้ยงไม่สอนไม่แนะนําเนี่ยเด็กมันจะขาดแบบของชีวิตในอุดมคติที่พึงประสงค์ แล้วสังคมไทยมันจะไปไหนก็ไม่รู้เป็นสังคมวัตถุนิยมไปหมดเลยเราทอดทิ้งเด็กและเยาวชนไม่ได้นะครับในยุค 4.0 มีประสบการณ์อันหนึ่งที่เยาวชนคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับในเวทีโลกเนี่ยเขาน่าจะอยู่อายุประมาณสัก30นะเขาเล่าให้ฟังครับ ซึ่งเป็นกรณีศึกษาเพราะเขาเล่าจากประสบการณ์เขาเองว่าเขาแสวงหาความหมายของชีวิตและถ้าพระเนี่ยนะให้คําตอบเขาได้เขาก็จะอิงเข้ามาทางศาสนาเป็นกำลังของศาสนาด้วย mm hmm. เขาเล่าว่าเขาเป็นคนจีนครับเหมือนกับเขามาบรรยายเล่าประสบการณ์ให้เขาฟังมีมภาพขึ้นจออะไรอย่างเงี้ย เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเขาเรียนจบที่อเมริกาปริญญาโทอเมริกาชื่อมิสเตอร์หวังอยู่ที่เมืองจีนแล้วพ่อแม่ก็ส่งไปเรียนปริญญาโทที่แคลิฟอร์เนียที่ l อลนะครับเขาเรียนได้คะแนนดีจนกระทั่งได้งานทำในอเมริกาพ่อแม่ก็ร่ำรวยอยู่ในเมืองจีนและวันหนึ่งเขาก็มีความรู้สึกว่าชีวิตเราทางานหาเงินเนี่ยนะ เพื่ออะไรเขาก็ไม่มองหาความหมายของชีวิตครับไปเห็นภาพนิตยสารเผยแผ่ธรรมะของวัดน่าจะเป็นของเกาหลีหรือของจีนผมก็ไม่แน่ใจเาเป็นนิตยสารขึ้นภาพปกนะครับเป็นพระทูดงแบบมหยายาญ กราบไปบนถนนแล้วก็มีบทความเกี่ยวกับการทุดงด้วยการกราบเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษด้วยเขาไปเห็นแล้วเขาสะดุดตาว่าพระมากราบไปบนถนนยังไงคือเขากราบแบบอัสดางพระประดิษฐ์นอนตัวยาวไปเลยเนี่ยแล้วก็เหมือนกับตัวหนอ น, นวัดถนนไปเรื่อยๆ เ, เป็นกิโลกิโลครับพระไปทําทําไมแต่พระที่ที่ทำอย่างนั้นเนี่ย ท่านเขียนบทความอธิบายความหมายและประโยชน์ที่ได้ด้วยทําให้เด็กหนุ่มคนเนี้ตามไปที่วัดครับพอตามไปที่วัดไปศึกษาว่าเพื่ออะไรอย่างไรแล้วเนี่ยเขาก็เกิดแรงบันดาลใจว่ามันต้องลองทําและจะรู้ว่ามันได้อะไรเขาก็ลาออกจากงานนะครับพอไปวัดมากๆเนี่ยในสุดเขาอยากจะหาความหมายของชีวิต เขาลาออกจากงานที่เขาไปาทํางานในอเมริกาได้เงินเดือนดีด้วยพ่อแม่ชื่นใจในจีนเนี่ยลูกไปทํางานที่บริษัทฝรั่งในอเมริกาลาออกจากงานแล้วเขาก็ทุดงครับทาแบบอาจารย์ที่ว่าแต่เขาไม่ได้กราบนะครับเขาปั่นจั ก, กรยานปั่นจักรยานจากตะวันออกไอ้ปะจากตะวันตกไปตะวันออกอาจากตะวันออกไปตะวันตกครับ อเมริกาเนี่ยฝั่งเอลจนไปถึงวอชิงตันดีซีเนี่ยนั่งเครื่องบินห้าชั่วโมงนะมันไกลขนาดไหนจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แค่หนึ่งชั่วโมงนี่มันสี่ห้าชั่วโมงทังประเทศมันกว้างมากเพราะฉะนั้นเขาปั่นจั ก, กรยานมีเป้ใบหนึ่งเขามีสตางค์แต่เขาจะไม่นอนโรงแรมเขาจะไปนอนตามทางระหว่างทาง ใหม่ๆก็ไปนอนอยู่ตามสวนตามอะไรตนะ่างๆมีถุงนอนตอนหลังคิดอย่างนี้ครับไปนอนในสวนหลังบ้านคนจะดีกว่าไปเคาะประตูเขาขออนุญาตนอนในสวนหลังบ้านหรือห้องรับแขกหรืออะไรแล้วแต่เขาจะอนุญาตเพื่ออะไรครับ <laughs> เพื่อจะได้พบกับคนไปเทว ด, ดงทั้งทีไปเจอแต่ต้นไม้มีประโยชน์อะไรจะได้คุยกับคน แน่นอนฝรั่งเนี่ยเขาชอบความเป็นส่วนตัวพอไปเคาะทีหนึ่งเนี่ยคนเปิดมาเห็นเจ้าของบ้านเปิดไปเห็นเด็กหนุ่มแปลกหน้าเขาก็ปิดประตูใส่แล้วครับเขาไม่อยากให้ใครมารบกวนแต่ในคนนี้ก็ทําไปเรื่อยๆไปเคาะแล้วก็ผิดหวังสิบคนจะเปิดไอ้สิบคนจะอนุญาตให้พักที่สวนหรือห้องรับแขกสักคนเดียวนี่ยใหม่ๆนะครับ เขาไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าฝรั่งก็เลยมีความรู้สึกผิดหวังพอผิดหวังมากๆเนี่ยเด็กมันเริ่มเรียนรู้ที่จะแผ่เมตตาครับนี่ในชีวิตจริงครับแผ่เมตตา ย, ยังไงแต่ก่อนนี่ไปด้วยความคาดหวังว่าเปิดเคาะแล้วเขาจะเปิดแล้วก็จะรับเราเข้าไปและเราก็ผิดหวังทุกทีจนท้อแต่ตอนหลังนึกอย่างนี้ครับ การที่เราไปเคาะเพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้พบคนอื่นบ้างและให้เขาได้ทําความดีทรงเราะเราไปด้วยจิตเจตนาที่ดีถึงเขาไม่ให้เราเข้าพักก็ชื่อว่าเขาก็ได้พบคนอื่นบ้างได้สังสรรกับมนุษย์ไม่อยู่ในโลกส่วนตัวเพราะคิดอย่างนี้นะครับโอกาสสำเร็จเหลือหนึ่งใน5และครับและเพราะอะไรเพราะเวลาเขาปฏิเสธก็ไม่ผิดหวังเพราะเราก็ได้ทาความดี ได้พบคนแปลกหน้าและถ้าเขาให้พักเราก็ทำประโยชน์ให้เขาเช่นคุยกับเขาใหม่ๆเนี่ยคุยให้เขาฟังเป็นส่วนใหญ่แต่ตอนหลังพบว่าคนส่วนใหญ่อยู่ด้วยความเงียบเหงาหวังเววหวังเวงหว้าเวไม่มีใครฟังกันแลกเนเขาก็เลยเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีครับ เจ้าของบ้านเปิดรับแล้วเล่าเรื่องให้คนแปลกหน้าจาันนทาใครอะไรมันสบายใจพูดหมดเลยนะค่อยๆเรียนรู้ธรรมะฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจด้วยคำว่า compassion กาุณานะมันเกิดล่ะเมตตากาุณามันมาฟังให้เขาได้ระบายต่อต่อมามากขึ้นยังไงครับล้างจานครับ การที่จะได้คุยกันอย่างดีที่สุดเนี่ยสําหรับฝรั่งนะครับไม่ใช่ตอนทานอาหารนะแต่อยู่ในห้องครัวล้างจานเด็กหนุ่มไปอาสาอาสาล้างจานให้เจ้าของบ้านเนี่ยโอ้ผู้ใหญ่เอ็นดูครับแล้วก็ไปนอนอยู่หลังบ้านหนดไปนอนอยู่ห้องคครับแขกเลยในที่สุดจนเกิดนิสัยครับเขาเป็นลูกเศรษฐีครับไปไหนติดนิสัยมาจนปัจจุบันต้องล้างจาน ลังจากจะเป็นโอกาสที่เขาได้เจริญสติและได้ฟังคนอื่นเขาเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งครับไปอยู่ในเมืองใหญ่เมืองทั้งเมืองเนี่ยมันอยู่ริมทะเลไม่มีใครต้อนรับเลยมันคนแปลกหน้าเลยเปิดกี่บ้านกี่บ้านเคาะเขาก็ปิดหมดแต่มีอยู่บ้านหนึ่งครับเปิดรับแกเป็นบ้านใหญ่ให้เป็นองในห้องรับแขก คนที่เปิดรับเนี่ยแกเมาครับเมาก็เลยเปิดพอสางเมาก็ถามแล้วคุณมาได้ยังไงเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าก็คุณเปิดเองตอนนั้นเราเมาเนแล้วแกก็บนตัวแกเองลยว่ามันเปิดได้ยังไงอันตรายนี่สลยเราจะเมาหนักบนทั้งคืนเลยที่เปิดรับคนแปลกหน้ามานอนในบ้านแต่พอคุยกันสักพักเนี่ยถึงได้รู้ว่า ที่แกมเมาเพราะลูกชายวัยรุ่นรุ่นราวพาวเดียวกับเด็กคนนี้หนีประท้วงพ่อครับออกจากบ้านแบบฝรั่งเนี่ยนะไม่อยู่ด้วยเลยไปไหนก็ไม่รู้แกก็คิดถึงลูกมเมาแล้วโดยสันทัยานมาเห็นเด็กหนุ่มลูกลาวาวลูกมาแกก็เลยเปิดรับก็เลยคุยแกเป็นนักฟังที่ดีเพราะเด็กหนุ่มคนนี้ที่ว่าเนี่ยก็ให้ระบายเรื่อง ลูกหัวดื้อที่หนีไปอะไรไปคุยกันได้ละบายตอนเช้าครับแยกกันไปนอนตอนเช้าลากลับล า, ลบลาลบจากกันเจ้าของบ้านร้องไห้ครับร้องไห้ทำไมขอบคุณเด็กหนุ่มไอ้คนนี้ที่มาพักบ้านแกเปิดโอกาสให้แกทำความดีครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะชีวิตแกไม่เคยทำเดียอะไรเลย เมาอย่างเดียวแต่การที่ได้กลายเป็นคนใจกว้างให้คนแปลกหน้าเด็กหนุ่มมาพักนี่เหมือนแกก็เลยเริ่มรู้ว่าตัวเองแกก็มีดีเหมือนกันนะและก็ให้ช่วยสวดมนต์แบบพุทธเนี่ยอวยพรให้ลูกแกที่หนีไปเนี่ยปลอดภัยด้วยก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเออเราสร้างความดีให้กับคนอื่นนะกลับไปจากอเมริกาครับไปเมืองจีนเด็กหนุ่มานนี้ ไปที่พ่อไปหาพ่อหาแม่ซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานใหญ่พ่อพอรู้ว่าลูกลางานปัญจักรยานเนี่ยด่าอยู่นั่นแหละครับไม่พอใจลูกก็เลยไม่รู้จะไหวงไงก็ไปอยู่กับพ่อกับแม่แต่สิ่งหนึ่งที่พ่อสังเกตเห็นลูกเนี่ยคือลูกชายซึ่งมีอันจชิกิจเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนจากที่เคยจะไปเรียนอเมริกาเด็กหัวนอกเนี่ย กลับมาอ่อนน้อมสมตนแล้วก็เข้ากับคนได้ที่สําคัญคือชอบล้างจานครับล้างจานในบ้านไปบ้านผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไหน ม, มันก็ดีล้างจานให้เขาช่วยเป็นจิตอาสาไงมันไม่ใช่ล้างจานเป็นจิตอาสาไงแล้วก็มีความสุขในสิ่งที่ทําพ่อก็เลยเอ้ลูกเราเปลี่ยนเพราะอะไรอ๋อเพราะพุทธศาสนาวันหนึ่งและพ่อเนี่ยขี้เมาด้วยนะ ชอบดื่มวันหนึ่งพ่อก็ไปลงทะเบียนฝึกกรรมฐานในจีนเนี่ยเขามีสอนกรรมฐานสุกเสาอาทิตย์อะไรเงี้ยพ่อไปเข้าค่ายฝึกกรรมฐานแล้วชวนแม่ไปด้วยสังเกตตอนหลังเนี่ยพ่อเปลี่ยนไปเลิกดื่มเหล้าแม่ก็มีความโอมอ่นในครอบครัวล่าสุด หยุดกิจาการให้คนอื่นทนะํานละโรงงานไปอยู่บ้านเล็กๆในชนบทเป็นจิตอาสาทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเขามาเล่าให้ฟังว่านี่คือการแสวงหาความหมายของชีวิตแต่ละคนอาจจะแสวงหาคุณค่าความหมายที่ไม่ตรงกันเพราะเงินทองอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบวันหนึ่งคนไทยเมื่อร่ำรวยมากขึ้นมากขึ้ น, นก็จะรู้ว่าเงินทองไม่ใช่ความหมายของชีวิตไม่ใช่คาตอบ เหมือนในประเทศจีนทุกวันนี้ครับจีนแต่ก่อนมีาศาสนาซึเมื่อไรท่านเป็นคอมมิวนิสต์แต่เมื่อคนร่ํารวยมีเงินมีทองมากขึ้นเกิด อ, อะไรขึ้นครับเครียดแข่งขันหาเงินหาทองเพื่ออะไรมากินเที่ยวแล้วมันอยู่ไปวันๆเพื่อมีประโยชน์อะไรคนจีนก็เลยหันเข้าห า, าศาสนาครับ แต่ก่อนพุทธศาสนาเนี่ยถูกแบนนะครับถูกห้ามไม่ให้เผยแพร่ในจีนเนี่ยอย่างที่เราทราบคารมาร์กบอกว่าอย่างไรครับ Religion ิสโอพิเอตศาสนาคือยาเสพติดคอมมิ น, นิจึงไม่ให้นับถือาศาสนาครับปฏิวัติวัฒนธรรมปิดวัดเอาวัดเป็นพิพิธภัณฑ์ตึนโยเยสมัย ป, ยปลายปลายสมัยของเหมาเจ๋อตุง แต่พอมาเมื่อสักยี่สิบปีสบยปีคนจีนมีเงินมีทองมากแต่ชีวิตมันพลวงข้างในไม่รู้ว่าจะอยู่เพื่ออะไรก็เลยไปหาศาสนาแต่เนื่องจากว่าศาสนาถูกถูกแบนนะครับถูกห้ามคนจีนก็เลยไปหาศาสนาใต้ดินครับเรียกว่าลัทธิลัทธิที่คนจีนนิยมมากเมื่อสิกว่าปีมาก่อนเนี่ยานทั้งหลายก็คงจะดินชื่อ เรียกว่าลัทธิฟาหลุนกงครับลัทธิฟาหลุนกงเนี่ยมีคนเป็นสิบล้านนับถือสมัยนั้นนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่พุทธไม่ใช่เต๋ า, ไ ม, ตาไม่ใช่อะไรมันสอนแปลกๆอ่ะแล้วทำให้เกิดความรุนแรงในประเทศจีนจีนก็เลยขับออกจากประเทศจีนครับไล่แห่ออกมามาตั้งหลักในประเทศไทยนะครับจะมาเปิดสาขาในประเทศไทย ประเทศไทยไม่ต้อนรับครับตอนนี้ไปอยู่แถวอเมริกาไปอยู่ที่อื่นละแต่บทเรียนที่ประเทศจีนได้คืออะไรคนเราเมื่อยังยากจนยังต้องการอาหารกายแต่พออาแต่แตพอท้องอิ่มมันต้องการอาหารใจคือาศาสนาไม่มีทางปิดกั้นไม่ให้คนนับถือาศาสนาได้จีนจึงประกาศนโยบายนะครับสักสิกว่าปีมาแล้วว่า ให้คนนับถือศาสนาได้และเปิดเผยดีกว่าไปนับถือศาสนาแบบหลบหลบซ่อนซนเป็นนิกายที่ไม่ถูกต้องประกาศเป็นิยบายประเทศเลยนะครับดีกว่าไปหลบหลบซ่อนซ่นนับถือศาสนาใต้ดินและจีนก็บอกว่าให้นับถือศาสนาที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมจีน อยู่กับจีนแม้ต่มาแต่โบราณไม่ขัดแย้งกับวัฒนธรรมจีนเป็นศาสนาที่จีนสนับสนุนอย่างเป็นทางการครับมีสามศาสนาครับทุกวันนี้หนึ่งเต๋าของเล่าจือ๊อสองจือ๊อสพระพุทธศาสนาครับพระพุทธศาสนาเข้าไปในประเทศจีนที่วัดมา ข, ขาวอะ่ะตั้งแต่พศ0กร้อเกือบ 2,000 ันปี วัฒนธรรมจีนทุกวันนี้ไม่มีอะไรที่ไม่สัมพันธ์กับพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นจีนจึงถือว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาของของจีนด้วยเปิดให้คนนับถือศาสนาเปิดวัดเนี่ยนะครับฟื้นฟูพุทธสมาคมของจีนครับซึ่งแต่ก่อนเงาหลบซ่บสนสอนๆผิดกฎหมายเดี๋ยวนี้ถูกต้องประธานพุทธสมาคม จีนในปัจจุบันเนี่ยเป็นพระครับชื่อท่านเซริรเฉิงมาจัดวิสาขาบูชาโลกกับเราตั้งแต่ต้นตั้งแต่เป็นพระผู้น้อยจนเดนนี้เป็นประธานรัฐสมัครของจีนเหมือนกับพระสังฆราช จ, จีนนะครับท่านเซิร์เชิงมาร่วมวิสาขาบูชาโลกตั้งแต่ปีแรกเลยก็คุ้นกันครับผมก็เลยได้รับรู้เรื่องราวอะไรต่างๆโจ้ท่านจีนเนี่ยนะครับ พอมาเห็นวิสาขาบูชาโลกที่ประเทศไทยได้ไอเดียครับไปจัดงานประชุมระดับโลกในประเทศจีนป่าเอาชาวพุทธโลกเข้าไปในจีนเพื่อให้เห็นว่าจีนก็มีพุทธศาสนาเขาเรียกการประชุมว่า world buddhist forum ครับที่ประชุมชาวพุทธโลกจัดมาปีสองปีหรือสามปีครั้งหนึ่งปีนี้ก็จะจัดอีกในเดือนตุลาคมเนี่ย ให้ชาวพุธทธโลกไปฉลองร่วมกันในจีนโดยรัฐบาลจีนให้ความบวทถรรมส่งเสริมเลยออกหน้าออกตาเพราะว่าเป็นรากฐานพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมจีนแต่เดิมเนี่ยประเทศจีนมีชาวพุทธไม่ถึงร้อยล้านครับลบๆซ่อนๆเดี๋ยวนี้พุทธสมาคมเนี่ยมีชาวพุทธอยู่ประมาณสี่ร้อยล้านที่ที่จํานวนประชากรชาวพุทธโลกมันเพิ่มอย่างมากเนี่ยตรงนี้แหละครับ ด้วยเหตุที่ด้วยเหตุนี้เองครับศาสนาอื่นในประเทศจีนก็อขอสิทธิ์บ้างครับทำไมจัดชาวพุทธโลกได้ในประเทศจีนศาสนาอื่นขอจัดบ้างจีนไม่ยอมจีนบอกว่าให้เฉพาะ พ, พุทธเพราะอยู่กับจีนมาสองพันปีศาสนาอื่นที่ไม่ใช่เต๋าไม่ใช่คงจือ๊อไม่สนับสนุนนี่คือจีนได้พัฒนาในยุค 4.0 มาก่อนเราด้วยซ้ำไปอย่างที่ผมเล่าเนี่ยเศรษฐกิจเขาโต 10% มาเท่าๆกับเรามาจนจนถึงปัจจุบันรถไฟความเร็วสูงเราเอามาจากเขาแล้วตอนนี้นั่นแหละครับและจีนซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ปฏิเสธพุทธศาสนามาตั้งแต่ต้นตอนนี้ส่งเสริมพุทธศาสนาเพราะเมื่อสังคมไทยพัฒเมื่อสังคมโลกพัฒนามากขึ้นท้องอิ่มแต่ใจยังหิวธรรมะ การเผยแพ่จะต้องมีมากขึ้นจีนจึงส่งพระมาเรียนในประเทศไทยนี่ยเยอะคับเพื่อกลับไปเผยแพ่ผมจึงคิดว่าในสังคมไทยเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราอย่าหลงทางเมื่อประเทศของเราในยุค 4.0 พัฒนาไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยอย่าไปเพิ่มความโลภจงจนไม่รู้จักคำว่าพอเพียงร่างไอความหยหิวทางร่างกายมันถึงจุดหนึ่งมันก็หยิบ เราก็จะต้องเติมอาหารใจเข้าไปให้เขามีความสุขด้วยธรรมะในพุทธศาสนาซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของนักเผยแผ่อย่างเราและมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเทศน์การสอนมันรวมรวมไปถึงเรื่องกรรมฐานด้วยสังคมตะวันตกทาไมต้องการกรรมฐานมากครับเพราะมันทำให้อิ่มใจเขาอิ่มทางเงินทองทางวัตถุมากแล้ว วัดเราเนี่ยควรจะต้องให้ความอิ่มใจในทางธรรมะแต่เนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าจะรวยกันทุกคนจนก็มีเยอะรอบๆวัดเราก็ยังขาดอยู่ก็จะต้องใช้สาทางณะสงเพราะไปช่วยเพราะฉะนั้นในยุคการเผยแผ่ในยุค 4.0 นะครับอย่าใช้แต่เรื่องกรรมฐานอย่างเดียว มองไปถึงคนที่ยังหิวคนที่ยังด้อยโอกาสที่ยังยากจบซึ่งในยุคนี้เราเรียกว่ารวยกระจุกจนกระจายมันมีคนที่ร่ำรวยอยู่กลุ่มใหญ่แต่ความจนมันยังมีเราก็สอนคนเหล่านั้นเนี่ยให้เขาเพึ่งตนเองได้แต่ไม่ใช่ไปเพิ่มความโลภนะครับให้เขาจนอย่าง มีปรัชญาเศรษฐกิจไปให้เขารวยอย่างมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขด้วยศาสนานั่นก็คือเอาเรื่องศาสนาสงเคราะห์พระนักพัฒนาศึกษาสงเคราะห์ช่วยรอบๆวัดช่วยชาวบ้านเหล่าแล้วสอดแทรกธรรมะเข้าไปให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดวัดที่มั่งคั่งทั้งหลายที่มีเงินมีทองทั้งหลาย อยากเก็บสะสมไว้เฉพาะในวัดท่านดูแลคนรอบๆดูแลคนในจังหวัดในอะไรต่างให้ทุนการศึกษาให้โอกาสเขาในการพัฒนาและอย่าไปให้แต่ในทางร่างกายสอนเยาวชนทั้งหลายให้แสวงหาความหมายของชีวิตเหมือนกับคนจีนเด็กหนุ่มจีนที่ผมว่านั่นให้เขาใกล้ชิดกับพระศาสนา คุณคุณร่ำรวยคุณมีเงินทองแล้วอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อทําประโยชน์แก่ผู้อื่นทําแบบไหนก็ทําเหมือนวัดยังไงแล้วมีเงินมีทองแล้วไม่ใช่กองสะสมดูบัญชีทําศาสนประโยชน์ไปช่วยชุมชนไปเราเรียกว่างานาศาสนาสงเคราะห์งานจิตอาสาวัดต้องเป็นตัวขับเคลือ่อนแล้วประโยชน์ของวัดในยุค 4.0 มันจะเกิดเราอยู่ในเมือง แต่วัดไม่ได้ทิ้งสังคมไม่ได้ทิ้งชุมชนมีเงินมีทองไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่เพื่อเอาไปทำประโยชน์เหมือนหลวงพ่อคูณนะครับใครถวายมาถวายมาสองร้อยเองเอาไปหนึ่งร้อยกลับคืออีกร้อยหนึ่งเอาไปสร้างโรงเรียนสร้างอะไรต่างถ้าทำอย่างนี้ใครจะมาว่าเราครับใครจะมาบอกเงินทองกองเอาไว้ทำอะไรเพื่อเผยแผ่าศาสนา ในยุค 4.0 มันต้องเป็นอย่างนั้นครับและเราก็ทำกันให้มากขึ้นทั้งประเทศอย่างนั้นแหละครับมันเป็นการเผยแผ่ที่ให้อาหารใจในยุคที่คนกำลังหิวโหยด้วยหิวโหยธรรมะและช่วยให้คนเนี่ยมีอยู่มีกินไม่หิวและเข้าหาธรรมะหาความหมายของชีวิตซึ่งถ้าเราทำอย่างนี้จะมีแนวร่วมมากเลยครับ มหาศาลเพราะมันตรงกับยุคสมัยนี้นะครับท่านทำอะไรก็จะมีคนร่วมวัดของท่านก็จะเป็นศูนย์กลางชุมชนในยุค 4.0 อีกแบบหนึง่งไม่ใช่ว่าคนข้างๆวัดไม่เคยเข้าวัดเลยไปไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าท่านทำนโยบายอย่างที่ว่าเนี่ยสาธารณสงเคราะห์ศึกษาสงเคราะห์เผยแผ่ธรรมะไปพ ร, ร้อมๆกันนโยบายปัจจุบันเราเรียกว่าบวรครับบ้านวัดราชการ เป็นการประสานเพื่อทำให้มันสอดคล้องกับยุคสมัยไม่ใช่เฉพาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกเรื่องและไม่ใช่เฉพาะคนแก่เยาวชนเด็กได้รับประโยชน์หมดและท่านจะจะเห็นความเปลี่ยนแปลงครับของบทบาทการเผยแผ่ในยุคไทย แ, แลนด์ 4.0 ครับเรียนถวายไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับในที่สุดนี้ก็ขออำนาจเอกขุนภาษีรัตนตรยัย และบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญเพื่อพระศาสนาในการเผยแผ่ธรรมะจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ทุกรูปทุกท่านทุกคนประสบความสำเร็จในการเผยแผ่ศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยปราศจากทุกโศโครคภยัยอุปสรรตรายทั้งปวงจเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภะปฏิพานธรรมาสารสมบัติธนาสารสมบัติ ปราถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปราถนานั้นตจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสำเร็ จ, จ, ส, ร จ, จ, ส, รจสมมโนรถมุ่งมา่ปราถนาทุกประการตลอดกาลละนานเทิน